ก็ขอโมทนากับพวกเราเดี <c oughs> ๋ยวศึกษาในเรื่องของสมาชีวาต่อสรุปสาระสำคัญของสมาชีวะเนี่ยก็หมายถึงการเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิดประกอบแต่การงานที่สุดจริต กายสวจริตวจีสวจริตเนี่ยถ้าพูดกันโดยหลักกว้าง ก, างก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่นสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นหลักธรรมที่อยู่ในองค์มรรคแปดนะซึ่งเป็นแนวทางการดับทุกข์หรือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิตมุ่งผลนในทางปฏิบัติให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆในโลกเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ของแต่ละคนโดยอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในการประพฤติชอบทีนี้การดำเนินชีวิตในการประพฤติชอบก็คือการเลี้ยงชีวิตที่เป็นไปด้วยสุจริตสามนั่นแหละทางกายก็ต้องสุจริตทางวาจาก็ต้องสุจริตแม้การเลี้ยงชีพดังั้นการเลี้ยงชีพที่จะสุจริตหรือไม่สุจริตเนี่ยก็เลยมาดูกันตรงที่การแสดงออกมาทางกายและวาจา ในขณะที่เราประกอบอาชีพ n ั้นอาชีพที่เป็นจะสัมมาเนี่ยสัมมาก็แปลว่าถูกต้องอาชีวะคืออาชีพอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างก็คือว่า1ไม่เบียดเบียนตนใช่ไหมสอไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นประการที่3นอกจากไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเรื่องเป็นเอื้อต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้ ลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องจะจัดเป็นสัมมาชีวะเป็นต้นด้วยทีนี้การเลี้ยงชีพเนี่ยชีพชอบทางกายกรหมายถึงการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นหลักปฏิบัติทัในการแสวงหาทรัพย์ของมนุษย์ตามหลักการที่บอกว่าเว้นจากวิชานวิชาคือการค้าขายหรือการกระทาที่ไม่ชอบค้าขายอาวุธยาพิษน้าเมาทั้งหลายเป็นต้นเราเนี่ยนะ เลี้ยงชีพชอบในทางกายยังต้องการงดเว้นจากในการลักขโมยทุจริตคดโกงตามรูปแบบต่างๆก็ต้องงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะโกงกเป็นต้นเหล่านี้รวมไปถึงการเลียนแบบแตลอดถึงการหาเลี้ยงชีพที่ไม่สุจริตด้วยการกระทําทางกายเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้อง ม, ม, ม, ม, ม, มอมเมาบ้างหลอกลวงบ้างนำไปสู่ใบายามุกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น การเลี้ยงชีพทางวาจากหมายถึงการเลี้ยงชีพในการใช้วาจาที่สุดจริตที่เป็นกุศลเป็นการดาเนินชีวิตที่เป็นสัมมาชีวะประกอบไปด้วยการไม่โกหกไม่หลอกลวงบ้างไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้เอเจ้อการเลี้ยงชีพเนี่ยร า, ายละเอียดเยอะอยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราจะหาเลี้ยงชีพเนี่ยในการดาเนินชีวิต ในขณะที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คู่คนทั้งหลายเหล่านี้ไปโกหกแล้วได้ทรัพย์มาไปพูดส่อเสียดแล้วได้ทรัพย์มาไปพูดคำหยาบได้ทรัพย์มาไปพูดเพื่อเจือแล้วได้ทรัพย์มาอย่างเงี้ยทั้งๆที่อาชีพนั้นนั้มันถูกนั่นแหละแต่เมื่อได้ทรัพย์มาด้วยการโกรหกเป็นต้นเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นอาชีพที่ผิดก็คือเป็นการกล่าวเท็จแล้วได้ได้ทรัพย์มาหรือไปฆ่าแล้วได้ทรัพย์มาไปช่อโกง ป่นจี้ช่อลาดบางหลวงคอร์รัปชันเรียนแบบอะไเยอะๆยนั้นทางกายก็ได้ทรัพย์มาถ้าเป็นการประกอบอาชีพในกรณีการที่ทำกายทุจริตและวิจีทุจริตให้ดําเนินไปแล้วเป็นเหตุถึงการได้ทรัพย์ได้สถานะเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นมิจฉาชีวะและ้วดังนั้นการเลี้ยงชีพชอบทางใจก็หมายถึงลักษณะของความคิดที่ดีเห็นไหม คนที่จะไปประกอบสมาชีพที่หลายก็จะต้องมีคุณภาพจิตที่ดีมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งความสุขฉะนั้นคนที่จะไปทำงานกิจกรรมของชีวิตในการดาเนินกิจกรรมของชีวิตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นฆรวาสก็ดีเนี่ยอันดับแรกจริงๆก็คือมองทางด้านจิตใจสภาพจิตใจก็ต้องเป็นสภาพจิตใจที่เป็นไปกับเจตนาที่เป็นไวกกุศล เจตนาที่ต้องดีก่อนในการที่ประกอบอาชีพทั้งหลายเหล่านี้เจตนาที่เป็นไปกับสภาพจิตที่เอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไม่มีมนลทินสภาพจิตที่คิดดีเนี่ยเป็นไปเพื่อประสานประโยชน์ประกอบโดยการไม่โลภไม่อยากได้ไม่คิดเบียดเบียนในการเลี้ยงชีพไม่คิดเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นเป็นการ มนสิกาในการที่จะวางใจวางทา่าทีทางจิตใจตัเองเนี่ยฝึกจิตตัวเองให้เป็นจิตที่เข้มแข็งตั้งมัน่นมีคุณลักษณะพิเศษมีความอดทนมีความบากบัน่นแล้วก็มีกําลังของสติในการที่จะไม่ให้บาปมาแทรกเพราะอย่างนั้นน่ยมันจะเมื่อบาปแทรกในใจแล้วเนี่ยนะเข้านะเข้าเวลาจะทําออกไปพูดออกไปคิดออกไปทั้งหลายเรื่อนี้ก็จะเป็นเหตุถึงการได้ ทำอาชีพที่ไม่ถูกไม่ควรนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยจึงต้องตั้งท่าทีให้ถูกด้วยสมาชีวะก็การเลี้ยงชีพชอบเนี่ยก็มีเป้าหมายอยู่สามประการก็คือหนึ่งอัตตประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่มุ่งหมายสำหรับตนอัตตประโยชน์เนี่ยหรือประโยชน์ที่ตาเห็นได้หมายถึงประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบันนี้ ประการต่อมาคือประโยชน์ที่เลยตาเห็นสัมปรายิขถาเนี่ยประโยชน์ที่สูงขึ้นไปก็อีกเนี่ยเถ้าประโยชน์สูงสุดจริงๆก็หมายถึงปรมัประโยชน์ถ้ามองนี้ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่ประกอบอาชีพต้องไม่ขัดเลี้ยงชีพด้วยความหมั่นด้วยเร็วแรงด้วยกําลังอย่างอ่ำเงือต่างนะ้ำเป็นต้นเหล่านี้ก็จริงอยู่แต่อาชีพเหล่านั้นก็จะต้องเป็นไปกุศลเป็นไปสิ่งที่ดีงามเป็นต้นด้วย แล้วก็เวลาจะประกอบอาชีพทั้งหลายก็ต้องไม่ขัดประโยชน์ในพบหน้าเด้วไม่ขัดกับศรัทธาที่ตั้งมั่นไว้ในพระราชนตรยัยไม่ขัดกับ ก, บการเสียศีลไม่ขัดกับการที่จะได้ข้อมูลในการที่เป็นข้อมูลของอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ขัดกับสุตตาจากฆาต้องมีการจากักมีการสละกิเลสได้ด้วยแล้วก็ปัญญานี่เป็นต้นประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของคําว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองส่วนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี เออมองอย่างนี้จะได้เห็นว่าหลักสัมมาชีวะเนี่ยมองในแง่ของสัมมาชีวะในการแง่ของการสแสวงหาสัมมาอาชีวะในแง่ของการครอบครองรักษาสัมมาชีวะในแง่ของการบริโภคใช้สอยหลักการที่บอกว่า มนุษย์เนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีปัจจัย4ี่อาหารเครื่องนื่มโภยยาที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตถ้าขาดแคลนสิ่งนี้ชีวิตก็เป็นไปด้วยความยากและลําบากนี่นเป็นปัจจัยในการที่จะเลี้ยงชีพฉะนั้นประเด็นในการแสวงหาเนี่ยก็ต้องมองด้วยว่าประกอบด้วยอาชีพที่สุจริญทางกายดังที่ได้กล่าวที่เป็นสมาชีวะในข้อแรกมีสาระสําคัญยังไง พระพุทธเจ้าก็สอนให้งดเว้นจากการจากอาชีพที่ไม่สมควรเรียกว่ามิจฉาวณิชาคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและทำลายด้วยสัตะวาณิชชาคือการค้าขายสัตราเครื่องประหารปืนบางระเบิดบางเป็นต้นอะไรเนียอาวุธยุโธยุทธภันฑ์ทั้งหลายเลยนีย่เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เริ่มและเป็นอาชีพที่ เออเป็นเป็นอาชีพที่ผิดแล้วประการต่อมาคือสัตววานิชาก็ค่ามนุษย์อันนี้องค์การองค์กรสิทธิมนุษยชนก็โอ้โหหล่ลงกันเรื่องค่ามนุษย์เนี่ยไม่จบไม่สิน้นตั้งแต่สมัยคำพุทธกาลพุทเจ้าก็มองเห็นปัญหานี้แล้วก็บอกว่านี่แหละอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะมังสาวานิชาการค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร โอนี่นะอันนี้ก็มัชชาวนิชากลุ่มตระกูลของม่นเมายาเสพติดให้โทษแล้วก็วิสาวนิชากลุ่มตระกูลยาพิษยาพิษให้โทษทั้งหลายเนี่ยออพระพุทธศาสนาสอนเนี่ยละเว้นการค้าขายสัตว์ตราวุธก็เป็นเหตุแห่งการเห็นข่า เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยทลายล้างเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในขั้นพื้นฐานมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ว่ากันไปเนี่ยนะหลักการตรงนี้ก็คือว่าการฆ่าเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าคนในนับถือลัทธิใดศาสนาใดการฆ่าก็มีโทษทั้งหมดเลยเนะนสอนให้เว้นจากการฆ่า งันเกี่ยวกับอาวุธยุทธโทปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันมานำมาก็เพื่อการฆ่ากั น, นการประหัตประหารกันนี่แหละโลกก็ไม่ล่มเย็นไม่เป็นสุขซึ่งก็จะเห็นเกิดความรุนแรงแล้วก็เดือดร้อนต่างๆนะประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของการค่ามนุษย์โอ้โหนี่หนักเลยนะีการค้ามนุษยนะ์เนี่ยแล้วก็ของคาขายสัตว์เป็น หลักการก็คือสอนให้เว้เนการในที่สุดจริงๆก็กลุ่มตระกูลน้ําเมาเป็นต้นเลยในพระตรัยปีดอกเขพูดถึงว่าโทษของสุราโทษของของสิ่งเสพติดก็คือทําให้สูญเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาท ด, ด้วยทําลายสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงด้วยทําให้ขาดความละอายด้วยและในขณะที่เอาของมึนเมาใส่ไปในกระแสชีวิตเนี่ยก็ทําลายสติสมบชัญยาทุกขั้นตอนทําลายทุกครั้งเมื่อของ มึนเมาทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปสู่ในร่างกายก็จะทําลายเป็นเหตุทําให้สติปัญญาเริ่มฟั่นเฟือนเลือนหลงไปเรื่อยๆที่สุดจริงๆก็กลายเป็นคนบ้ากลายเป็นคนขาดสติตรงนี้ก็เบียดเบียนตัวเองอันนั้นก็เป็นโทษมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ๆกันท่านไหนรู้ไปรู้มาก็มาเบียดเบียนตนเองกันนี่พระเจ้าก็เห็นเป็นโทษอย่างนี้แหละแล้วก็สอนในวงวัฏวัณยการค้าขายยาพิษก็ทําลายชีวิตของมนุษย์อีกเหมือนกัน ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นชัดก็คือว่าเมื่อมีการเอาสารพิษทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะยาฆ่ า, มาแมลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเอามาแล้วที่จริงๆบุคคลที่ได้รับโทษจริงๆก็ ก, กลายเป็นมนุษย์นั่นเองทุกวันนี้มลภาวะก็ดีสารพิษก็ดีเนี่ยเต็มไปหมดในโลกใบนีน้มนุษย์ก็เริ่มอยู่กันยากขึ้นตอนนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นทางด้านของสุขภาพกายก็กระทบไปถึงสุขภาพใจด้วยการลักขโมยการทุจริคตคดโกง พวกอื่นไม่ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนกลุ่มของตนเนี่ยเป็นการเบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอาชีพที่ผิดพูดถึงในเรื่องของอบายามุกก็คือปากทางในความเสื่อมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอักศลกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นการเกิดจากความโลภ บ, บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์นั่นเแล้วก็ในที่สุดจริงๆก็เกิดความเสียหายด้วย พระพุทธเจ้าก็สอนในเรื่องว่าความเป็นนักเลงหญิงบ้างความไม่ชื่อไม่รักษาตัวไม่รักษาโรคเมียไว้เป็นต้นหรอเนี่ยนะก่อการทะเลาะวิวาทนำความวิบัติมาสู่ตนเองอย่างนี้เป็นต้นเออสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องอาชีพที่ที่ผิดที่ทรงสอนไว้นะว่าแล้วก็สอนในเรื่องการประกอบอาชีพโดยสุจริต ทางกายแล้วก็ทางวาจาก็คือการไม่โกหกเลี้ยงชีพการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคําหยาบการไม่พูดเพิรเจอการไม่ประจบเลี้ยงชีพโอ้หรายละเอียดเยอะนะการใช้วาจาเลี้ยงชีพเนี่ยแต่การไม่โกหกเลี้ยงชีพกด็ดำเนินชีวิตด้วยสัจจารักษาความสัตย์การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพก็คือการเว้นจากการยุ่งยงให้คนเขาแตกกันแต่กับการพูดให้คนเขาสมัครสมานประสานสามัคคีกันบางคน ถ้าไปให้เขาแตกกันแล้วจะทำให้เราได้ทรัพย์จะทำให้เราทำกิจการได้ดีขึ้นเนี่ยก็ใช้วาจานี่แหละไปสอเสียดนั่นมีช้าชีพเนี่ยรายละเอียดเันเยอะหรือการพูดคำหยาบเลี้ยงชีพเนี่ยหรือการพูดเพ้อเจอ้อพูดไร้ประโยชน์เชน่นตลกขนองเนี่ยเลี้ยงชีพแล้วก็ ทางใจก็คือการไม่โลภความไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยโดยสรุปสัมมาชีวะในแง่ของการครอบครองรักษาคืออะไรสาวิญญาณนักรทรัพย์ทรัพย์ที่มีชีวิตได้แก่ปารัตา์เช่นช้างมาวัวควายทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้อาวิญญาณนักรทรัพย์ก้อนนาไร่ที่ดินเงินทองทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้กับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วเนี่ยนะอันนี้เกี่ยวกับการสวยงามทรัพย์ พระเจ้าก็บอกว่าโพคะอันกรบุตรที่หามาได้ด้วยความเพียรด้วยความหมันเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวที่ชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพคะที่ประกอบ ด, ด, ด้วยทำได้มาโดยทำเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียเนี่ยพระราชาจะไม่ลิบทรัพ์ของเขาไปโจรจะไม่ป้นไปไฟจะไม่ไหม้น้าจะไม่ท่วม ทายาทที่ไม่เป็นที่รักทายาทไม่ดีจะไม่ยื้อแย่งกอนไป น, นี่เรียกว่ารักสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาอันนี้ก็คือฉลาดในการรักษาการสแสวงหาฉลาดในการสแสวงหาก็คือสแสวงหาด้วยความหมั่นด้วยเร่อแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําแล้วก็เป็นการได้มาโดยทําเป็นของชอบทำด้วยได้มาโดยไม่ใช้ ไม่ได้กายไม่ได้ไปพืชกายทุจริตได้มาไม่ประพืชวจีทุจริตได้มาไม่ได้มีใจคิดคดโกองเป็นต้นแล้วได้ทรัพย์มาเป็นบุคคลที่มีกายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจก็สุจริตแล้วก็แสวงหาทรัพย์ได้มาอย่างงี้ได้มาด้วยความหมั่นนั่นคือเรื่องการแสวงหาพอแสวงหาทรัพย์แล้วก็มีอย่างที่ได้บอกแล้วได้ทรัพย์หลายอย่างทั้งทรัพที่มีชีวิตทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งเราก็เห็นกันเต็มไปหมดทีนี้เราสแสวงหาทรัพย์เหล่านี้ได้มาแล้วก็ต้องป้องกันจะทำยังไงนะเนี่ยจะไม่ถูกรีบทรัพย์จะไม่ไม่ทำผิดทำเสียหายป้องกันทำอย่างไรโจรจะไม่ป้นทำอย่างไรไฟจะไม่ไหม้ทำอย่างไรน้ำจะไม่พัดพาทำอย่างไรหนอญาติที่ไม่ดีทั้งหลายจะไม่มาเบียดเบียนเนี่ยนี่ถึงพร้อมไดอารักสัมปทามีความพร้อมเรื่องการเก็บรักษา รู้จักคุ้มครองรักษาพวกทระซับและผลงานอันได้มาโดยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบทำด้วยกำลังแขนของตนไม่เป็นอันตรายและเสื่อมเสียนอกจากนั้นเพราะรักษาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปเก็บเพราะการเก็บทรัพย์เนี่ยเป็นความเสื่อมเสียอีกอย่างหนึ่งเป็นความเสียหายด้วยเช่นบางคนได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยไปแสวงหาทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็เก็บไว้งั้นแหละที่ดินนาไร่ทั้งหลายเหล่านี้นะบ้านเนี่ย ซื้อไว้เยอะหมดเลยเด็กตัวเองไงเป็นผู้มีทุนเยอะมีทุนใหญ่ก็ครอบครองที่ไว้เป็นแส้นแสนไรเป็นล้านล้านไรครอบครองเสร็จไม่ให้ใครทําประโยชน์ไอ้อย่างเงี้ยเป็นความเสียหายมากพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งจัดเป็นความชั่วยอย่างหนึ่งแทนที่เราจะให้เราไปทําประโยชน์ให้บุคคลที่เขาได้จัดสรรทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ทํา เบียดเบียนคนอื่นกักกันคนอื่นไว้เอาความสามารถของตนเองเอาศักยภาพของตนเองเอาเล่กระเทือกตนเองที่มีช่อชนคนใดใดก็แล้วแต่เนี่ยไปครอบครองไว้อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งลกล้างอย่างนั้นแหละไอ้คนจนไม่มีที่คนไม่คนมีความสามารถแต่ไม่มีที่ทางในการทําหากินอีกเยอะหมดก็เลยหมดโอกาสเลยเนยีคนประเภทนี้ที่บ้านที่แหลหลายเต็ไมไปหมดตอนนี้ ลกล้างหนูบังอยู่บังมแมลงสาบอย่ก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งกันนั่นแทนที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่เนี่ยรักษาอย่างเดียวไม่เป็นที่จริงการรักษาเนี่ยทำยังไงโจรไม่พ้นทํายังไงไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมลมไม่พัดพาทายาทไม่ดีมาช่อโกงไปต้นไม่ถูกเล็บทั้งหลายเหล่านี้เออมันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสรรทรัพย์ให้เป็นสัดส่วนในแผนในการจัดการทรัพย์เนี่ยขเรืหัดเนี่ยนะ ในตะกูลผู้สามารถขั้นรวบรวมพภอทรพย์์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งพ่อศรพย์์เป็น4ส่วนส่วน1ใช้สร้อยสส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่4เก็บไว้ในยามมีอันตรายในยามจำเป็นใช้คำว่าเอเกนะพเคนะพุนเชยนะียได้แก่แบ่ง1ส่วนสำหรับใช้จ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนที่ควรบำรุงเลี้ยงและก็เอาทาประโยชน์ การจัดสรรเงินส่วนนี้ไว้ก็เพื่อใช้จ่ายภายในบ้านการเลี้ยงดูครอบครัวการเลี้ยงดูบุพปปการีการที่บุคคลอยู่ในการดูแลของผู้ถือทรัพย์เป็นส่วนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคือการตอบสนองต่อ ก, การต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของร่างกายเป็นทานนักุสลโดยเป็นศีลนักุศลเนี่ยมีส่วนนี้เก็บไว้ไว้ทำประโยชน์ยังไงทวีหิกรรมังปร ะ, ประโยชเยก็คือ ให้แบ่งสองส่วนสําหรับใช้เป็นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบอาชีพที่สุจริตนั้นส่วนที่จัดแบ่งว่าทําธุรกิจการงานเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพตรงนี้แบ่งไว้2ส่วนเพราะให้ความสําคัญว่าการลงทุนในการประกอบกิจการงานเนี่ยจัดว่าเป็นการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเออไม่ใช่มีเงินแล้วเก็บไอ้ออยางเงี้ยเป็นความเสียหาย ไม่ลงทุนไม่ไม่ฉลาดฉะนั้นสองส่วนเนี่ยนะสองส่วนอกมาลงทุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมการจ้างงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการที่การหมุนเวียนทำให้เป็นการระบบพัฒนาสองส่ว น, นหนึ่งพัฒนาส่วนในด้านของวัตถุสองพัฒนาในด้านของมนุษย์ แต่จริงๆท่านขับเน้นในเรื่องของมโนท่านสังเกตุไหมว่า1อาชีพนั้นต้องไม่เบียดเบียนตนสองอาชีพนั้นต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนอกจากไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วยังเป็นประโยชน์แก่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเออเป็นการเอื้ออํานวยกันเลยเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขับเน้นไปทางด้านของวัตถุนิยมหรือจิตนิยมนะคำสอนพระเจ้าสอนกลางๆทั้งสองส่วนต้องพัฒนาทางด้านจิตใจก็ต้องพัฒนา ทางด้านวัตถุเครื่องไม้เครื่องมือการใช้สอยหรือบุคลากรทั้งๆก็ต้องพัฒนานเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจและเมื่อระดับหน้าที่การงานก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดสรรส่วนอื่นๆพัฒนามากไปโดยการจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้เองเป็นตัวชี้ถึงการพัฒนายกระดับฐานะให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นถ้ามีอาชีพการงานและทุนประกอบอาชีพ ที่ขัดสนการจัดสรรทรัพย์ใช้ในกิจกรรต่างๆก็จะเกิดอัตคัดขัดสนไปด้วยนั้นส่วนการลงทุนเนี่ยสำคัญอันนี้าใครไปจัดสรรได้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในรายละเอียดตรงนี้ก็โอ้เป็นเรื่องการสร้างปัจจัยได้หลายด้านนะให้มีการเ อ, อื้อประการที่3ก็คือจะตุดถันจะนิทาเปยยา ก, ก็จะแก่ส่วนที่4ี่แบ่งส่วนที่ 4, สําหรับเก็บไว้ใช้ในความจาเป็นเร่งด่วน ก็คือการจัดสรรทรัพย์ไว้ใช้ในคราวฉุกเฉินเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันยามเจ็บป่วยอุบัติเหตุทั้งนี้การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้นก็ดําเนินชีวิตจะช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งหากขาดการจัดสรรส่วนนี้ไว้เนี่ยเกิดมีการจําเป็นขึ้นมาเสียหายเลยเนะี่ิธีการก็คือว่า ท่านจัดไว้อย่างนี้ 25% สนะส่วนที่หนึ่งอ่ะเนี่ยส่วนนี้เก็บไว้ได้ทราบมาเนะี่ยประมาณ 25% ออมไว้ใช้ใช้สอยเลี้ยงชีพแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวไปรายละเอียดท่านจะแจ้งให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องอยังไงนะทั้งหมดเลยนะเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขเองบุตรหลานญาติมิตร พ่อแม่ปู่ตายายายคนในการดูแลแล้วทำประโยชน์ยังไง 25% 50% ออมไว้ลงทุนประกอบอาชีพ 50% ส่วน 25% เนี่ยออมไว้ในยามจำเป็นและก็ไว้ทำบุญด้วยเนี่ยนะรวมเบเส็กอเปอร์เซ็นต์เนี่ยแผนในการหลักโพค้าวิภาคาดังกล่าวเนี่ยเปรียบเทียบได้การออมทรัพย์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็มีการออมทรัพย์ไว้เพื่อวางแผนชีวิตต่างๆนี่ใครมาการสแสวงหาทรัพย์นี่นะหลักการมีอยู่ว่าหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทาไม่คมเหงไม่เบียดเบียนใครนี่หลักการที่หนึ่งนะการสแสวงหาทราพทัพย์ที่ที่ชอบทาก็คือไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปประทุสร้ายเขามา ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ได้มาไม่ได้ไปลักทรัพย์ได้มาไม่ได้ไปผู้ผิดผิดได้กรรได้มาไม่ได้เอาวาจาไปกล่าวเท็จเข้ามาได้มาไปกล่าวส่อเสียดล้วได้มาไปกล่าวคำหยาบแล้วได้มาไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลเราได้มาไปประกอบไปชีพผิดถ้าขายยาพิษน้ําเมาและทั้งหลายอะไรนี้ยไม่ได้มาอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าได้มาโดยชอบทำทีนี้พอได้มาโดยชอบทำแล้วก็คือการใช้แหละทำยังไงแล้วก็การวางแผนหรือการ ซึ่งถือว่ารวมการเก็บรักษาโดยเป็นต้นเลาเนี่ยนะเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นสุขเลี้ยงต น, นให้เป็นคนนะแล้วก็เพื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ใช้ทรัพย์ในการที่จะเป็นประโยชน์แก่บุญนแก่การทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเลยก็ว่ากันส่วนนี้ยี่ห้าปซนนะไอ้ส่วนที่สองการลงทุน ต้องเผื่ อ, อไว้เนี่ยสงส่วนไอ้สอส่วนเนี่ยก็ห0าสบเนนี่ยก็วางแผนในการที่จะลงทุนอะไรจะทำอะไรนี่เก็บไว้นี่ 50% เ็ที่เอาไปลงทุนเนี่ยนะไม่ใช่เก็บทิ้งไว้เฉยๆนี่คือการคิดอ่านในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆพอมีเงินมาเก็บไว้ก็เป็นความเสียหายด้วยนะแล้ว 25% เก็เก็บไว้เป็นหลักประกันของชีวิตนี่ส่ส่วนโอเคครบแล้วนะ 25 50้าหสยี่้าหนึ่งส่วน2ส่วนลงทุนและอีกหนึ่งส่วนก็เก็บเป็นหลักประกันชีวิตแล้วก็เผื่อข่าวจําเป็นบ้างเผอเผบางทีส่วนที่เก็บไว้เนี่ยอาจจะไว้ทําประโยชน์ทําอะไรต่างๆสิ่งที่ดีงามเป็นต้นดูมองเห็นในอย่างนี้ทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนมีปัญญาเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเวลาเขาเกี่ยวข้องกับทรัพย์เนี่ยเขาต้องมีนิสฐานะปัญญา คำวินิจฉนณปัญญาก็หมายความว่าไม่ลุ่มหลงไม่หมวกมุ่นไม่มัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็มีใจเป็นอิสระเป็นนิสฉนาปัญญาอาศัยทรัพย์ในโอกาสที่จะพัฒนาเอาทรัพย์นั่นแหละมาพัฒนาเลยที่จริงทรัพย์เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ทั้ง3ด้านนะมนุษย์เราเนี่ยหนึ่งพัฒนาพฤติกรรมให้เราดีขึ้นก็เลยสพัฒนาจิตใจของเราให้มีความทั้งคุณภาพทั้งสมรรถภาพทั้งความสุขให้เกิดขึ้น ประการที่สมก็คือพัฒนาทางด้านปัญญาเห็นไหมเนี่ยทรัพย์เนี่ยมันเกิดมีโอกาสทําให้เราเอามาพัฒนาได้ด้วยคือไม่เป็นทาตของทรัพย์แต่เอาทรัพย์เนี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์ในการที่จะทําสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องอยังไงเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดทีนี้ในคําสอนอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาออบุคคลมีอยู่สามจำพวก ในสจำพวกที่ปรากฏอยู่ในโลกก็คือว่าหนึ่งคนตาบอดสองคนตาดีข้างเดียวสาสามคือคนคนดีสองตาไอ้คนตาบอดเป็นยังไงบุคคลบางคนในโลกเนี่ยไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยคนตาบอดเห็นนะไม่มีคนตาบอดทั้งสองข้างนะไม่มีดวงตาชนิดที่จะหาทรัพย์คือไม่มีปัญญาหาทรัพย์วะกันเถอะ หรือจะสะไม่มีปัญญาจิตมีซัพย์ก็ไม่มีปัญญาในการที่จะเพิ่มพอกคูณเพิ่มเพิ่มให้ทรัพย์มากขึ้นเนี่ยไม่มีเลย1หาทรัพย์ก็ไม่ได้สอัพย์ที่มีอยู่จะทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นก็ไม่มีปัญญา2ระดับเนี่ยเคยเจอไหมคน2คนแบบนี้มีไหมไม่มีปัญญาหาทรัพย์ด้วย2ทรัพย์ที่มีอยู่ก็มีไม่ฉลาดในการที่จะทำซับมัน งอกเงยมันเพิ่มพูนขึ้นเคยเจอหรือไม่เคยเยีเคยเจอไหมเราเป็นประเภทนั้นไหมเรามีปัญญ า, าทราบไหมแล้วมีปัญญาในการที่จะทำทรย์ให้มันงอกเงยขึ้นไหมมีแล้วนะอันนี้มันไม่มีนี่เ้าเรียกบอดแล้วนะหนึ่งตาแล้วนะหาทรย์ก็ไม่เป็นทำทรย์ให้เพิ่มพูนก็เป็นนี่หนึ่งตาบอดไปแล้วนะตาที่สองออไม่รู้จัก แยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นธรรมะที่มีโทษอะไรเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรควรทาอะไรไม่ควรทําแยกบุญแยกบาปไม่ได้นี่ตาบอดตาที่สองนี่คือคนตาบอดสองตาเริ <c oughs> ่มเห็นไหมมีไหมคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้มีไม่มีตาแรกก็คือสแสวงหาทรัพย์ไม่ได้และก็เพิ่มภูณทรัพย์ไม่เป็น ตาที่สองแยกบุญแยกบาปไม่ได้ดีช่วยแยกไม่ออกอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปแยกไม่ได้มั่วหมดเลยเนี่ยนี่ตาบอดสองตานี่เขาเรียกคนตาบอดอ่ะคนตาดีตาเดียวเป็นไนเป็นยังไงนี่เข้าใจนะคนบางคนในโลกเนี่ยมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้พกกระซับที่ยังไม่ได้เก่งมาก ไอ้ทัพที่วิธีการหาทรัพย์เนี่ยหูยช่องทางหาได้เยอะแยะหมดไอ้ที่ยังไม่มีหาได้ทุกอย่างฉลาดมากหาป๊อปป๊อปป๊อปป๊อะไรก็ได้วะกันเถอะและมีปัญญาในการที่จะทำทรัพย์ที่มันมีขนาดเนี้ยให้มันเพิ่มได้ป๊๊อ ป, ปได้เถอะฉลาดเถอะเพิ่มทรัพย์ก็ได้หาทรัพย์ก็เก่งทีนี้นี่ตาตาข้างหนึ่งดีแล้วเมื่อกี้บอดนะไอ้ที่ตาตากตาข้างหนึ่งดีแล้วทีนี้มันบอดอีกตาหนึ่งก็คือ มันแยกมันไม่รู้จักกุศลนกุศลไม่รู้ทำที่เป็นโทษไม่เป็นโทษไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้บุญไม่รู้บาปบุญก็ทำบาปก็ทำไม่รู้เรื่องแล้วหาทรัพย์มาได้ผิดก็เอาถูกก็เอาเอามั่วหมดเลยเพราะมันเก่งในการหาแต่มันแยกบุญแยกบาปไม่ได้ชั่วก็จะท บาปก็ทำบุญก็ทำนี่นะมันไม่รู้เรื่องเพราะมันแยกไปออกไอ้ตาข้างนึงมันบอดเรียบร้อยแล้วมันดีอยู่ข้างเดียวคือการหาทรัพย์แล้วก็แยกไม่ออกอะไรเป็นธรรมที่ควรทำเนี่ยแยกบุญแยกบาปไม่ได้แยกกุศลน ก, กุศลไม่ได้แยกกายทุจริตกายสุจริตวจีทุจริตวจีสุจริตมโนทุจริตมโนสุจริตแยกไม่ได้แยกไม่ออกเนี่ยไอ้ตาข้างนี้บอดนี่ดีข้างเดียวเคยเจอไหมคนเวเนี้อภิบาลที่สาม คนที่ตาดีสองตาเป็นยังไง1เป็นคนฉลาดในการหาทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่ได้มานี่หาทรัพย์โดยชอบทำโดยความหมั่นเดียเ่ยวแรงด้วยกําลังอย่า ง, อ, างอ่ำเงือต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำฉลาดตรกนี้ฉลาดมากในการหาทรัพย์และทรัพย์ที่มีอยู่ก็สามารถทําให้ทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นได้จาก 30% เป็น4 0เป็นสีเนเพิ่มมันปุ๊ปุ๊บปายเนี่นะนี่ไม่พอนะยังฉลาดในการแยกด้วยว่า อันี้เป็นบุญนี่เป็นบาปนี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นคุณนี่เป็นโทษนี่เป็นประโยชน์นั่ไม่เป็นประโยชน์นี้สมนี้ประนีตแยกละเอียดละออได้ด้วยนนี่ก็เรียกว่าคนตาดีสองตามองอ๋อย่างเป็นคนประเสริฐเนี่ยคนลักษณะอย่างเนี้ยท่านบอกว่าคนคนประเภทตาดีสองตาเนี่ยเป็นคนที่ประเสริฐย่อมแบ่งทรัพย์นะ แบ่งปันทรัพย์นั้นซึ่งได้มานั้นด้วยความขยันออกจากโพค่าที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วได้ทรัพย์แล้วก็ออกมาเผื่อแผ่มีความคิดสูงมีความคิดประเสริฐมีจิตที่แน่วแน่แล้วก็ย่อมจะเข้าถึงฐานะที่ดีงามที่ไปแล้วก็จะไม่เศร้าโศกเออถ้ามองนี้จะเห็นนะว่าไอ้คนที่เรียกว่าไอ้คนที่ตาบอดสองตานี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม คนที่ตาบอดสองตาเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วส่วนคนที่ตาดีข้างเดียวก็ไม่ได้เรื่องอีกมันได้แต่ทรัแต่ว่ามันชีวิตจะตกต่ำจะตกต่ำนะับปัจจุบันหรือในการต่อไปตนเองจะแย่แต่คนตาดีสองตานี่อันนี้สุดยอดทีนี้เอาย้อนกลับมาถามพวกเราเราอยู่กลุ่มไหนที่ผ่านมานะที่ผ่านมา <c oughs> แต่ดีข้างเดียวใช่ไหมทีนี้นายะแต่ก่อนเป็นกลุ่มไหนฮะเป็นกลุ่มไหนข้างเดียวได้ใช่ไหมอออคืออย่างนี้ บางคนอาจจะบอกว่าเออเป็นคนที่แยกบุญแยกบาปได้แยกกุศลอกุศลได้รู้จักดีจักชั่วได้แต่เป็นคนหาทรัพย์ไม่ได้มีไหมไม่มีมคนประเภทนี้ไม่มีมเพราะคนที่จะฉลาดในการแยกบุญแยกบาปมันเป็นเรื่องละเอียดมากก็ ข, ขนาดยังแยกกุศลอกุศลได้บุญบาปได้คุณโทษประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ที่มีปัญญาลึกระลับนี้ได้แล้วเนี่ยเรื่องหาทรัพย์มันกระจอกเข้ไปเรื่องหาทรัพย์เป็นเรื่องง่าย เพราะแสดงว่าคนที่ฉลาดในทางคําสอนเนี่ยสังเกตดูทีสามารถแยกละเอียดละ อ, อ่ในเรื่องนี้ได้แล้วเรื่องหาซับเนี่ยมันหยาบมากซับเนี่ยเป็นของนอกตัวขนาดซัพย์ภายในยังได้เลยเช่นไอความสามารถทําคุณภาพจิตของตนเองเนี่ยจิตที่ไม่มีคุณภาพให้มีคุณภาพได้ลองคิดดูที่จิตที่ไม่มีเมตายัางทำํำเมตายังเกิดในใจได้จิตที่ไม่มีกรุณายัางทํากรุณายเกิดในใจได้ จิตที่ไม่มีมุทิตายังทํามุทิตาพอยินดีเกิดในใจได้จิตที่วางใจไม่เป็นยังวางใจให้เป็นได้จิตที่ไม่มีฮิริอตตปะยังทําฮิริโอตตปะละอายคูชั่วกลัวบาปยังทำให้เกิดได้เพราะกั้นเถอะยังทําจิตคุณภาพได้และจิตอ่อนแอทําให้จิตแข็งแรงตั้งมั่นได้ใช่ไหมจิตโหดทูเนี่ยออกจากความบหดทูได้ก็มาเป็นความเพียรความแกล้าได้หลงลืมฟันเฟือเลือนหลงทามีสติระลึกมั่นได้เนี่ย จิตที่ฟุ้งซ่านทำให้มีสมาธิได้คนที่ฉลาดขนาดนี้การหาทรัพย์ข้างนอกน่ะมันเรื่องโอ้โหมันเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะก็มีปัญญาอ๋อไหมล่ะอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะที่เคยยกตัวอย่างว่ามีคนคนหนึ่งก็เขาเก่งมากเขาแยกบุญแยกบาปได้แล้วก็หาทรัพย์ได้เป็นคนตาดีสองตาเนี่ยนะไปๆมาเขาเบื่อแล้วเรื่องทรัพย์เนี่ยคือเขาเห็นเห็นแล้วเห็นมีอะไรเลย หาเมื่อไหร่ก็ได้มองไปที่ไหนก็เป็นทรัพย์ก็เป็นเงินไปหมดใช่ไหมคนฉลาดมองไปที่ไหนเห็นเงินเห็นทองเต็มไปหมดแหละมองไปบนอากาศมันก็มีนะเงินเนี่ยใช่ไหมล่ะมันสามารถเช่าพื้นที่บนอากาศเนี่ยเครื่องบินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันก็แม้มสามารถจะขีดพื้นที่เส้นที่แล้วก็วางเป็นจราจรบนอากาศมันขายจราจรบนอากาศกินยังได้เลยว่าไงเนี่ยนะางคนก็ขายขึ้นอะไรเยอะแยะไปหมดเนยนะเห็นไหมเขามองขนาดบนอากาศก็ยังมองหาทรัพย์ได้ในน้ําไม่ต้องพูดถึงในดินไม่ต้องพูดถึง บนต้นไม้ก็ไม่ต้องพูดถึงมองไปทะี่ไหนเนี่ยมันเห็นซับได้หมดเพราะขนาดว่ารายละเอียดลึกๆภายในมันยังเห็นได้เข้าใจไหมบุญบาปภายในยังแยกละเอียดแล้ว อ, อได้ขนาดนั้นฉะนั้น ข, ข้างนอกมันหาได้ไม่ยากไอ้เจ้านี้เหมือนกันยองคนนี้ก็เบื่อแล้วซับพอทิ้งซัเบเสร็จก็ไปนั่งยีทาเรือที่จะรออยากจะไปบวชเนี่ยตอนนั้นท่านจะต้องการจะไปบวชที่ลังกาในยุคหลังๆท่านไปจากอินเดีย นั่นจะไปที่ลังกานก็ไปยื้ไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ว่าเรือก่อนกว่าจะออกในยุค น, ะนั้นน่ะเดือนหนึ่งออกครั้งสองเดือนออกครั้งนลยเรือใหญ่ในการที่จะข้ามข้ามข้ามไปประเทศหนึ่งก็เลยไปรอเอ๊ะเห็นท่าเรือที่ลงปุ๊บปุ๊ บ, บขนสินค้าเป็นส0บสท่า20ท่าเอ๊คนมีปัญญาเป็นไม่นั่งดูไม่รู้จะนั่งอยู่เซ็งเซ็งทำไมหาเงินใช้ดีกว่าก็คือย้ายอะ่ะ ย้ายยากสินค้าท่าเรือนี้ไปท่าเรือนี้จากท่าเรือนู้นมาท่าเรือนี้สลับแล้วก็หนเข้าก็เริ่มหาลูกน้องขนสินค้าพ่องถ่ายได้ส่วนต่างไหมได้ส่วนต่างทาอยอะงั้นไม่ถึงเดือนได้เงินหูหอมเบ้ลเลยเนี่ยมัดใส่ห่อแล้วก็ปลีเรือออกก็ข้ามเรือไปเห็นไหมแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือหรือมีไ อ, อ, อ, อ, อคน เศรษฐีคนหนึ่งนั่งนั่งเกวียนไปเนี่ยแล้วก็บอกไอ้ลูกน้องคนบอกว่าเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาจะทํำยังไงถึงจะมันถึงจะมีทรัพย์ได้ไอ้เศรษฐีคนนี้ก็บอกว่าไม่เห็นยากเลยเนีย่หนูตายตัวเดียวนี่ยังสามารถตั้งตั้งตั้งตัวได้แค่เห็นหนูตายตัวเดียวตัวเนี้ยเ <c oughs> นี่ยที่มันนอนตายอยู่เนี่ยทีย่นั่นก็ไปคิดถึงเฮ้ยมันั่งมันตั้งตัวได้จริงหรือเปล่า ไดเอาไปขายคนเลี้ยงแมวไงมันเริ่มได้เงินแล้วแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอ้วนก็เพิ่มภูมิมูรัพย์มูลค่าเรื่อยๆเลยใหญ่ต่อมามันรวยได้ได้อีเนี่ยเห็นไหมคนมองอะไรแล้วมันเป็นมูลค่าได้นี่ก็เลยคนตาแต่มันอีกไอตาที่มันหาได้ยากืก็คือตาแยกวุญแยกบาปนี่แหละฉะนั้นอย่าแปลกใจในกรณีที่ว่าเออ แล้วเราแล้วมีไหมคนที่แยกบุญแยกบาปได้เนี่ยแต่หาทรัพย์ไม่ได้ไม่มีไม่มีมมฮะไ ม, มไม่ใช่แยกไม่ได้หรอกจริงๆเจาะลึก ๆ, ๆไปนะแยกบุญแยกบาปไม่ได้ในสมัยเป็นค า, ารวาสเนี่ยถ้าแยกได้มันละเอียดอ่อนบุคคลประเภท น, นี้อันนี้รู้ด้วยเลยลองบางคนเนี่ยเราเห็นอี้เป็นคนผิดหวังในชีวิตแล้วมาบวชเนี่ย หาทรัพย์ไม่ได้แล้วต่อมาเป็นคนดีๆซื่อๆมืนๆเนี่ยไม่ใช่คนดีนะคนแบบนี้ยังไม่มีโอกาสจะชั่วเธอนั่นเองไม่ได้เหตุปัจจัยที่จะชั่วเธอนั่นแหละนั้น <c oughs> คนบางคนเนี่ยไม่ใช่ไปมองแล้วโอ้เป็นคนดีเหลือเกินเนี่ยใส่ชุดขาวมานั่งเนี่ยโอ้เธอมีโอกาสดิเพราะคนแยกบุญแยกบาปไม่ได้เนี่ยถ้าคนแยกบุญแยกบาปได้เนี่ยเขาไม่กล้าทําชั่วเออแล้วดูโทษของศีลเนี่ย โทษของการไม่มีศีลเน่ยถ้ามันเปีแยกแล้วเห็นอย่างนั้นจริงจงจะกล้าไปทําช่วยไหมที่ยัอยงอ่านเมื่อวานเนี่ยไม่กล้าหลอกแล้วเห็นคุณของศีลขนาดนั้นทุกข้อทุกข้อทุกข้ อ, ข อ, องนเงี้ยมีไหมเนียเฮ้ยไม่ใช่เจตนาก็ละอยางนี้ก็ไม่แยกไม่เป็นอีกนี่ก็แยกไม่เป็นอีกมีโอกาสทําช่วยอะไรี่เกียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งก็คือว่าที่จะขยายให้เราฟังอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรื่อง คำว่าอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะไปขยายในรายละเอียดเคยได้ยินคำว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเคยได้ยินคำนี้ใช่เออฉันทำงานฉันก็ต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันถึงจะมีความสุขใช่ไหมนี่เนี่ยอย่างคนที่แสวงหาแล้วเอาความสุขไปไว้กับเงินก็จะคิดแบบนี้ฉันทำงานนะ ฉันก็ต้องได้เงินดิเมื่อฉันได้เงินฉันจึงจะมีความสุขเราทำงานใช่ไหมเราเอาความสุขทุกข์ของเราไปอยู่ที่อีกเงินใช่ไหมถามว่าเราทำงานเขาให้เงินเราทุกวันเลยไหมหรือเดือนละครั้งหรือสิบห้าวันครั้งเลละโหชีวิตเราเนี่ยอยู่กับงานวันละกี่ชั่วโมง 5, 6, 8นี่ดชั่วโมง เป็นถามว่า8ดชั่วโมงลองคิดดูลรหักค่านอนหลับค่าอะไรบเบเสร็จแสดงเห็นชัดว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับงานถามว่าในขณะที่เราอยู่กับงานชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับงานเนี่ยวันวันหนึ่ง8ดชั่วโมงอย่างต่ำา8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงที่เราต้องคลุกคลุกุ ก, กอยู่กับงานนั่นและแล้วลองลองลอ ง, ลองบวกไปทีว่าเราจะต้องอยู่กับงานกี่ชั่วโมงเราถึงจะได้เงินเดือนหนึ่ง เราเอาสามสิบมาคูณแปดเท่าไร <240. S 2> นั่นเห็นไหมเนี่ยเราต้องไปทนทรมานสองร้อยสี่สิบชั่วโมงเราจึงได้เงินมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีความสุขอยู่แวบแล้วก็ทนทุกต่อไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแล้วก็ฝ่ายฝันเพื่อจะได้เงินเนี่ยอีกสองร้อยสี่สิบชั่วโมงแล้วเพื่อจะได้เงินมาเนี้ยชีวิตเราอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหม เพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าเงินมันต้องมีเงินเป็นตัวผ่านความสุขมันต้งจะเกิดถ้าไม่มีเงินเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวผ่านแล้วสุขไม่ได้สุขไม่เป็นไม่สามารถจะมีความสุขได้แล้วแล้วเงินมันอยู่นอกตัวหรืออยู่ในตัวเรา <S <S อยู่นอกตัวด้วยไม่อยู่ในตัวเราด้วยดูสิเนะี่ยเราจะสุขไม่ได้เลยถ้าไม่มีเงินมาคอยเชื่อมประสานให้กับเราแล้วทุกวันนี่เดือดร้อนกันก็เพราะไอตัวนี้ใช่ไหม แนววิธีคิดแบบเนี้ยแต่ไอคนที่ให้งานเราเขาก็คิดยังไงต่อฉันให้งานให้คุณทํางานไอคนไอคนที่ให้เงินเราเขาคิดบอกว่าฉันให้เงินคุณคุณต้องทํางานให้ฉันถ้างานฉันเสร็จฉันถึงจะมีความสุขเอาเลยสิทีนี้มันก็เลยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยไอ id, นั่นก็สุขไม่เป็นเหมือนกันไอเราก็สุขไม่เป็นเหมือนกันอีกคนนึงก็ต้องให้งานเสร็จถึงจะสุขอีกคนนึงต้องได้เงินถึงจะสุ ข, อนนอ เ, สขเอาแต่ก่อนหน้านู้นเนี่ย ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีเราได้เงินไม่กี่ร้อยเราสุขไหมโอ้สุขมากเลยใช่ไหมอ่าทํางานแรกๆเลยเราได้เดือนประมาณเท่าไหร่เออสุขไหมทีแรกเลยในะเดือนแรกนะแล้วตอนนี้ถ้าให้สี่พันเท่าเดิมจะสุขไหมอาทาไมอ่ะให้สังเกตดูนะว่าความสุขขอ ง, <า>งพวกความสุขของเรามันทําไมต้องเพิ่มสิ่งเสพมากขึ้นทําไมเพิ่มปริมาณสิ่งเสพมากขึ้น แต่ทำไมสุขของเราเนี่ยมันจึงลดลงใช่ไหมแท้จริงเนี่ยการได้สิ่งเสพเพิ่มขึ้นปริมาณความสุขมันต้องเพิ่มขึ้นสิข้างนอกเนี่ยหาสิ่งเสพได้มากขึ้นมีรถมีบ้านมีทรัพย์มากขึ้นทุกอย่างเลยแต่ทําไมปริมาณความสุขในใจเรามันกลับมันลดลงลดลงลดลงอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วน่ะแสดงเห็นชัดว่าชีวิตเราเนี่ยมันดําเนินผิดหรือถูกเนี่ย แล้วลองคิดดูที่ตาเราก็จะเสื่อมลงหูก็จะเสื่อมลงจมูกก็จะเสื่อมลงลิ้นก็จะเสื่อมลงสภาพร่างกายก็จะเสื่อมลงสิจใจก็จะเสื่อมลงแล้วมันก็ต้องเพิ่มปริมาณสิ่งเสพมากขึ้นมากขึ้นยุ่งแล้วแต่เนี้ยแล้วมันจะเพิ่มสิ่งเสพประมาณเท่าไหร่หรือจะต้องให้อลังการลาขนาดไหนมันถึงจะได้สุขสักนิดหนึ่งสุขสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้อง ป, ร, ประดิษฐ์ปดอยสิ่งเสพให้มันมากขึ้นมองฟังเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการมอง ไม่เข้าใจคําว่าสัมมาอาชีวะคําว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นหรืออาชีวะเนี่ยแปลว่าอาชีพก็คืองานมันจะมีคําว่ามิดฉาก็ได้แปลว่างานที่ผิดหรืออาชีพที่ผิดหรือสัมมาก็แปลว่าถูกต้องถ้าสัมมาอาชีพหรือสัมมาอาชีวะก็แปลว่าอาชีพที่ถูกต้องไอ้คำว่าอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยมันมีละเอองานที่ถูกต้องเนี่ยมันมีรายละเอียดนิ้วตัวมันเยอะนะอายกตัวอย่างเช่นว่า ไม่ค้าขายยาพิษใช่งานที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นนี่ในหลักคำสอนนะไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้าอาวุธไอพิธค่้าอาวุธค้าสิ่งเสพติดค้ามนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเพื่อเป็นอาหารไปฆ่าไปเนี่ยแล้วก็ค้าพวกยาพิษทั้งหลายเหล่านี้อย่างเนี้ย ในหลักการเขาห้ามเขาไว้ว่าเป็นอาชีพที่เป็นไม่ถูกเบีดเบียนตดบีดเ บ, บียนคนอื่นเขาสัมบสังคมสิ่งแวดล้อมทีนี้เราก็ทําอาชีพที่ถูกกฎหมายนี่แหละอาชีพที่ถูกกฎหมายบางอย่างเนี่ยเช่นเปิดโรงฆ่าสัตว์นั่นก็ถูกกฎหมายนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงด้านศีลธรรมถูกต้องดีงามไหมเอาเปิดโรงฆ่านี่ยไม่ถูกหรอกจริงๆริงแต่ไม่ถูกกฎหมายนะเห็นไหมกฎหมายมันหยาบไหม มันห ย, บยาบๆมันคุมทั้งนอกแค่นั้นเองก็คือฆ่ากันโดยไม่มีความผิดว่างั้นเถอะฆ่าปลาไม่มีความผิดฆ่าเป็ดไก่ไม่มีความผิดฆ่าวัวควายเนี่ยไม่มีความผิดเลยทั้งๆที่มันเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี่แหละสัตว์ร่วมโลกนี่แหละแต่กฎหมายไปกำกับไว้วันเป็นอาหารอะไรก็ว่ากันไปในนี้อันนั้นนั่นจะไม่เข้ารายละเอียดเออแต่นี้พอมองนี้ก็จะเห็นว่าอันอาชีพที่ถูกต้องจรงิงๆเนี่ยเดยเนื้อตัวของมันเนี่ยต้องขับเน้นตรงไหน อาชีพที่ถูกต้องนี่นะหนึ่งอาชีพนั้นต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองนะสองไม่เบียดเบียนคนอื่นประการที่สามนอกจากไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วต้องเป็นประโยชน์แก่สภาพสังคมสิ่งวแวดล้อมถ้าอย่างงี้ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเอาอย่างยกตัวอย่างทํางานเนาะเคยเห็นอาชีพหมอไหมคนที่เป็นหมอคนที่เป็นพยาบาลเนี่ย ได้หลักการที่แท้จริงก็คือว่าจุดหมายของการเป็นหมอเพื่ออะไรเออรักษาให้คนไข้หายจากเจ็บป่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมเออโดยเนื้อตัวงมันเป็นแบบนี้โดยกฎธรรมชาติก็คือว่าเมื่อไปเรียนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปเรียนรู้เรื่องสมุทฐานของโรคไปเรียนเรื่องกายวิภาคไปเรืร่องสรีรวิทยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ไปเรียนรู้สมุทฐานที่เกิดของโรคทั้งหลายเหล่ า, ลานี้ แล้วก็สามารถแก้ไขจะทําให้โรคเหล่านั้นหายไปได้กําจัดโรคเหล่านั้นกจ็จะเชื้อทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยทํำให้ร่างกายเกิดมีการวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายเกิดขึ้นได้เมื่อหมอเนี่ยไปทําหน้าที่ตรงนี้ให้ทั้งยาให้ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไข้ทั้งหลายเนี่ยคนไข้ก็เลยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเป็นต้นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นอันนี้เป็นแค่เหตุก็คือการไปรักษาการไปแนะนําการไปบอก ก็เลยได้รับผลก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นจากการที่ว่าไม่มีโรคภัยแค่เจ็บหรือถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บโรคภัยแค่เจ็บก็อันตรธานหายไปเห็นไหมเนี่ยเหตุคือการศึกษาเรื่องสรีรวิทยาเรื่องกายวิภาคศึกษาเรื่องสมุทฐานของโรคทั้งหมดเบ็จเสร็จนั้นพอเรามีโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาไปหาหมอหมอก็ให้ยาหมอก็ตรวจสอบแล้วก็ให้ให้กระบวนการรักษาแล้วเราก็หายจากโรคภัยแค่เจ็บอันนี้เหตุกับผลมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เรียกกดความจริงธรรมชาติใช่ไหมล่ะ เ, เคยเคยทำสวนไหมเคยทำนาไหมอ้าวเดี๋ยวทนาเย็นชัดเห็นไหมเหตุคือการทำนานะเช่นไปไปจัดแปลงนาทั้งหลายเหล่านี้จัดการเอาน้ำเข้านามีการไถมีการพวนมีการหว่านแล้วก็มีการให้ปุ๋ยลดน้าพรวนดิน เออเนี่ยคือการสร้างเหตุต่อมาต้นข้าวมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วข้าวมันก็ออกดอกออกผลเป็นรวงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเหตุคือแบบนี้เหตุคือการทําที่ถูกต้องผลก็คือข้าวกล้าเจริญเติบโตงอกงามอันนี้เป็นผลใช่ไหมเหตุกับผลมันเป็นอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็าเเหตุเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนคนดูแลสวนน่ยดูแลต้นไม้นี่แหละรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยให้อีะอะไรก็แล้วแต่เถอะข้าวต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นมา เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาก็ออกดอกออกผลออกใบออกจริงออกการนี่เป็นธรรมชาตินะนี่เขาเรียกว่ากฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้กฎความจริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราให้เหตุปัจจัยถูกไอ้ความจริงมันก็เจริญเติบโตงอกงามไปทีนี้ไอ้คนที่เขาทํานาแต่ก่อนเนี่ยเขาได้ข้าวมาเข้ามากินมาใช้มาสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการค้าขายแต่ก่อนเขาไม่ได้มีเงินมาเกี่ยวข้องชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้ เหมือนการทำสวนเหมือนการทำไร่ทํานาทั้งหลายอะไรนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยเขารู้กฎความจริงธรรมชาติว่าเมือม่อได้ข้าวกล้าออกมาแล้วได้ผลไม้ออกมาแล้วได้วัตถุดิบออกมาแล้วเนี่ยเขาเขมาดูแลมาดูแลคุณทำให้สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงดูแลเอามากินเอามาดื่มมากินทั้งหลายอลไรนี้ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีใช่ไหมเนี่ยเขามองอย่างนี้มันเป็นไปตามกฎความจริงธรรมชาติแบบนี้แต่อยู่ต่อมามันมีกฎสมมุติมาซ้อนมาอันนี้ไม่ใช่กฎความจริงนะเช่น เออคุณดูแลสวนชั้นหนึ่งเดือนชั้นให้คุณเจ0ดบาทเออคุณมีหน้าที่นี่แหละดูแลต้นไม้พรวนดินรดน้ำนี่แะต้นไม้เจริญเติบโตงองานนีเหมือนเดิมนี่นแหละแต่เอาคุณจะได้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นฉันให้ค่าตอบแทนคุณเจ็0พบาทไอ้เจ้านี้เริ่มแล้วพอมันได้ค่าตอบแทนอย่างนี้ปุ๊บมันเริ่มคิดเพี้ยนอลไวนี้ แทนที่จะไปทํางานเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตมันความสุขมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมนะครับนะครับมันมันอยู่ตรงไหนอยูงินฉันทํางานฉันแท้จริงถามว่าเงินนี่มันกดสมมุติหรือเป็นกดความจริงกดสมมติคือเป็นกติกาข้อตกลงร่วมกันเป็นข้อเป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันฉะนั้นเมื่อเป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วเนี่ยมนุษย์ไปทํางาน แล้วฉันก็ให้ตอนนี้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยละเลยกฎของธรรมชาติไม่สนใจหรอกฉันจะทํางานแต่รอจังหวะเอางเงินอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมที่สุดจริงๆมันก็เลยแปลกแยกจากกฎความจริงธรรมชาติก็เลยมาอยู่หรือมายึดติดอยู่แค่กฎสมมุติแล้วก็เอาสุขไปไว้เอาสุขอาทุก์ไปไว้กับกฎสมมุติคือกติกาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมนุษย์มันก็เริ่มเพี้ยนเหมือนเราไปเรียนหนังสือ การเรียนหนัง hmm. สือน mm. uh huh. uh ี่เป็นเหตุใช่ไหมมนุษย์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องวิจัยต้องแยกแยะอันนี้เป็นเหตุอะไรเป็นผลของการเรียนเออความรู้ความสามารถทักษะความชาญฉลาดความรอบรู้ทั้งหลายวิชาการทั้งหลายเนี่ยที่ยังไม่รู้ก็ทําให้รู้เพิ่มขึ้นทําให้ชาญฉลาดเอามาวิจัยแยกแยะมีโยนิโสมนสการฉลาดชิดแยกแยะแล้วนักเขาเราจะได้มีวิชาชีพเหล่านี้ติดตัวเราจะได้ไประกอบอาชีพยังไงก็ว่าไปอันนี้มันมันกดความจริง ไอ้ใบประกาศเกจเฉลี่ยการเรียนอันนี้เป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมเป็นผลโดยอ้อมอันนี้เป็นกฎสมมุติหรือกฎความจริงกฎสมมุติแต่กฎความจริงคือความฉลาดไงความรอบรู้ไงทักษะความรู้ความสามารถนี่มันกฎความจริงแต่กฎสมมุติก็คือใบประกาศมองออกยังฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยเป็นกฎความจริงหรือกฎสมมติ เป็นกฎสมมติที่เป็นกติกาสังคมที่ตั้งกันก็ไว้แต่ทุกวันเนี้ยเวลาทํางานเราจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎความจยิงธรรมชาติแล้วที่มันน่าตกใจตามมาคืออะไรรู้ไหมตอนนี้ฐานความสุขของพวกเราหายไปหมดแล้วเนี่ยหนึ่งเราแปลกแยกอะไรตอนเนี้ยแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งวแวดล้อมกระแสชีวิตเราเป็นธรรมชาติไหมมนุษย์แต่ละคนเนี่ยใ ช, ใ, ช ใ, ชใช้ธรรมชาติไหม มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาใช่ไหมมันเป็นไปนตามกระแสชีวิตอย่างเงี้ยนี่กฎธรรมชาตินะมันก็เป็นของมันอยู่เงี้ยเอาเราเจตอนเนี้ยแล้วเราก็อยู่กับโลกของธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดใช่ไหมล่ะให้สังเกต ด, ดูนะมนุษย์ตอนเนี้ยเราเริ่มไม่มีความสุขกับการอยู่กับธรรมชาติจริงแวดลอ้อมจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องหายใจจริงๆแล้วเราต้องกินอาหารก็เป็นธรรมชาตินี่แหละการหายใจก็คือธรรมชาตินี่แหละให้สังเกตดูตอนนี้แค่อากาศหายใจมันก็เริ่มใธรรมชาติเริ่มวิปริตผิดเพี้ยนกันเยอะแล้วและที่น่าหนักใจก็คือตอนนี้เราเริ่มไม่มีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์มาสร้างบ้านมาซื้อรถมาทํากิจกรรมต่างๆตัวเองซอกทับซ้อนอยู่บนลงธรรมชาติ แล้วมนุษย์ก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแหละมองเห็นอยังอันนี้ยเราเริ่มไม่มีความสุขถ้าเราจะให้เราไปอยู่ข้างนอกอยู่กับสายลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับลําคลองอยู่กับภูเขาเนี่ยเราไม่ได้ความสุขเรามาสร้างของเราเองมาติดติดฐานสมมตุติติดติดเรื่องราวต่างๆ ต, ติดเหตุการณ์ต่างๆที่เราสร้างสร้า ง, ส ร, างสร้างขึ้นมาระบบเทคโนโลยีอะไรก็ต่างๆก็ว่าเนี่ยอย่างโลกสมมตุติที่ซ่อนอยู่บนโลกของเราธรรมชาติ นี่ฐานความสุขของมนุษย์หายไปหนึ่งเลยนะเราไม่ได้มีความสุขสองแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ อ, อยู่กับสามีเริ่มไม่มีความสุขแล้วอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ตายายไอ้ฐานความสุขตรงเนี้มนุษย์เริ่มเริ่มแปลกแยกกันแล้วอยากจะไปอยากจะไปอยู่ด้วยกันนะพอไปอยู่กั้องคจริงทําไมไม่มีความสุขเลยขัดแย้งกันทะเลาะกันใช่ไหม แทนที่จะคุยพูดจา้มันเข้าใจรู้เรื่องกันมันไปก็ละมุมไปก็ละเรื่องละราวแล้วเป็นไงั้นไหมขัดแย้งกันตลอดทั้งทั้งที่เราก็อยากจะเชื่อมกันอยากจะอยากจะคุยกันอยากจะเข้าหากันเนี่ยแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวสักทีเลยก็ไปที่ไรเครียดทุกข์กุ้มวิตกกังวลอันนี้แปลว่าอะไรแต่ว่าฐานความสุขของตอนนี้เราหายไปเยอะอย่าง นัข่าวนัข่าวเราก็ใช้โทรศัพท์กันเนี้ยมันเลยมาติดกับสิ่งเสพแล้วตอนนี้ใช้โทรศัพท์บ้างเทคโนโลยีบ้างอุปกรณ์เครื่องสื่อสารทั้งหลายเหล่านี้ยชีวิตเราก็มาเสพติดอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปไปมากับเพื่อนมนุษย์กันเองเราแตกแยกกันเชื่อมกันไม่ได้เชื่อมประสานกันไม่ได้คุยกันเริ่มลำบากขึ้นทะเลาะกันแม้ฐานที่สองเสียหายไปแล้วไอ้ฐานที่สมแตกแยกจากกิจ ก, กรรม ของชีวิตไอ้แปลกแยกยังไงกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดหมายโดยตรงเช่น เ, เราเราเราปลูกต้นไม้เนี่ยจุดหมายโดยตรงของมันคือต้นไม้เจริญเติบโต ง, งอกงามมีดอกมีผลเออมันมีความสุขใช่ไหม เราเห็นต้นไม้เจริญเติบโตองอกงามเนี่ยมันจุดตรงเนี้ยไอตัวเงินหรือค่าตอบแทนน่ยมันเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เป็นกติกาข้อตกลงร่วมกันจะเพิ่มจะลดลงเนี่ยตามข้อตกลงร่วมกันเท่า น, นั้นเองถ้าแยกอย่างนี้ได้เนี่ยนี่แปลว่าไม่แปลกแยกแต่ทุกวันเนี่ยเราทํากิจกรรมของชีวิตตรงนี้จรงิงแต่ใจเราก็ไปหากดสมมุติมันแปลกแยกออกไปทีนี้การทํางานเนี่ยแทนที่จรงิงมันจะ น, น่าจะมีโอกาสเห็นไหม ถ้าคนที่เข้าใจชีวิตจริงๆเนี่ยนะในโอกาสที่เราได้ทํางานเนี่ยมันได้ฝึกตัวเองนะถ้าเป็นสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องแล้วนึ่งพอเราได้ทํางานปุ๊บ1ทําให้พฤติกรรมได้ฝึกพฤติกรรมจริงไหมจริงเช่นเราขายของเอาละเราจะฝึกทักษะความรู้ความสามารถของเราด้านพฤติกรรมพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาอาชีพของเราได้ถูกฝึกไปด้วย ได้เกิดความชำนิชำนาญมากขึ้นด้วยเออจริงๆมันมีโอกาสงานเนี่ ย, น เ, นยเป็นตัวเปิดโอกาสทําให้เราได้ฝึกพฤติกรรมของเราเนี่ยพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายเนี่ยให้ดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นให้มีศักยภาพมากขึ้นใช่ไม่ใช่ 2. ทางด้านจิตใจเออมันได้ฝึกพึ่ด้านจิตใจด้วยนะหนึ่ให้ได้คุณภาพได้มีเมตตามากขึ้นกรุณามากขึ้นพอ ย, ยินดีได้มากขึ้นนี่ด้านคุณภาพสมรรถภาพก็คือจิต เข้มแข็งอดทนได้มากขึ้นมีสติกํากับอยู่กับตัวได้มากขึ้นมีสมาธิคือความตั้งมั่นได้มากขึ้นแล้วก็มีความเกล้ากล้าอาถารมากขึ้นโอ้ด้านจิตใจก็ได้ฝึกประการต่อมาคือมีความสุขได้ความสุขได้ปราโมดปิติจากการทํางานนั้นประการที่3ก็คือได้ฝึกอะไรฝึกด้านปัญญาทักษะความรู้ความสามารถความชาญฉลาดในการที่เราได้ฝึกหรือได้ทําอาชีพนั้นๆเออถ้ามันอย่างนี้ก็ชัดเลยเข้า ถูกต้องตามตัวงานได้แท้จริงเช่น8ชั่วโมงที่เราต้องอยู่กับงานถ้าพฤติกรรมไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกฝึกปัญญาไม่ได้ถูกฝึกแย่เลยนะเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์กับการทำงานตลอดเลยเทุกวันนี้ทำงานเป็นทุกข์ไหมมีความสุขกับการทำงานไหมทำงานเพื่อเงินมั้งเห็นจริงๆตรงนี้หนูฝึกแบบนี้วิธีการก็คือว่าการทำงานเนี่ยเป็นตัวเปิดโอกาสทำให้เราได้ฝึก พฤติกรรมของตัวเราเองให้มีความให้มีทักษะมากขึ้นนะเอาวางไว้ให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพของเราให้สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นทางด้านจิตใจก็ทำให้เราได้ความเข้มแข็งได้ทั้งคุณภาพของคุณภาพจิตมีคุณภาพมากขึ้นและมีสมรรถภาพคือความเข้มแข็งมากขึ้นและก็มีความสุขมากขึ้น ทางด้านปัญญาก็ได้ทักได้ทักษะความรู้ความสามารถได้วิจัยแยกแยะวิเคราะห์ว่าเราจะเอาสิ่งต่างๆมบ น, นี้ของที่เราไปขายเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ที่เอาไปใช้ได้ยังไงเราจะไม่หลอกลวงเขาเอาของที่ดีที่สุดมีศักยภาพที่สุดสบู่ที่เราทาก็ไปวิจัยแยกแยะมันเหมาะสมนะถ้ามันยงมีตัวไหนขาดตกบกพร่องก็ไปคิด ไปหาวิธีมาแล้วก็ไปหาคนที่เขามีรู้สูตรตรงนี้มาว่าเออเราจะทํำยังไงตอนนี้มันอากาศร้อนตอนนี้มันมีโมลภาวะเป็นพิษเยอะตอนนี้มันมีอากาศมันหนาวตอนนี้มันมีสึงแวดล้อมอย่างเนี้ยเราจะทําคุณภาพของอย่างนี้ที่มันดีๆขึ้นมามาตอบโจทย์สภาพสังคมอย่างไรแล้วคนเขาจะได้ได้ของดีมีประโยชน์มีคุณค่าเออมันขับเน้นตอนนี้ไอ้เงินก็เป็นผลพลอยได้เออตรงนี้เขาเรียกปัญญา ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ก็าเรียกว่าการทํางานมันเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงเข้าใจไหมอย่างมันได้ปัญญาเพิ่มขึ้นมันได้สติมากขึ้นมันได้ต้องใช้ความเพียนมากขึ้นใช้ความเชื่อมั่นมากขึ้นเออนั่นแหละเนี่เป็นการฝึกไงเห็นไหมอาชีพเลยเป็นเปิดโอกาสทําให้ฝึกทั้งพฤติกรรมดีขึ้นฝึกทั้งจิตใจมีความเ อ, อ่อทั้งคุณภาพสมรรถภาพทั้งด้านความสุข ฝึกทั้งปัญญาได้ความรอบรู้ได้ความเข้าใจได้มากขึ้นโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้งานมันเลยกลายเป็นปัจจัยทำให้เราได้ฝึกตน พ, พัฒนาตัวเองไม่ใช่จริงๆเราต้องวางท่าทีอย่างนี้หนึ่งเราจะให้ข้อมูลความรู้เขาในขณะที่เราให้ข้อมูลความรู้ให้ความไอบอกสิ่งที่มันเป็นโทษแก่เขาบอกที่สิ่งที่เป็นคุณแก่เขาโดยเรื่องเงินเนี่ยให้มันแค่ผลพลอยได้ มันไม่จุดหมายโดยตรงแต่จุดหมายโดยตรงของเราเนี่ยคือเราได้ฝึกไงหงพฤติกรรมเราดีขึ้นการพูดการจาของเราเนี่ยพูดได้หพูดจริงใช่ไหมสอพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์3ก็คือพูดถูกการถูกเวลา4พูดได้เมตตาบ้างพูดได้กรุณาบ้างพูดได้มุทิตาบ้างนี่มันฝึกตัวเองไหมล่ะงานเนี่ยแหละที่เราทํางานไม่ได้มีโอกาสฝึกฝึกวาจาของเราใช่ไหมทางด้านกายก็ทําให้เราได้ฝึกเราจะไปทํำยังไงเป็นประโยชน์ ออตอบโจทย์ยังไงถ้าเราคิดได้แล้วทางด้านปัญญาเราคิดได้สติปัญญาเราคิดออกเรารู้เราจะทําแพ็คเกจยังไงที่มันจะดูดีด้วยหรือจะไม่ใช่แค่แพ็กเกจอย่างเดียวแต่ตัวเนื้อในของสบู่หรือของที่เราจะขายเนี่ยมันมีคุณภาพต่อชีวิตจิตใจของเขาอย่างไงเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แพ็กเกจอย่างเดียวแล้ววิธีการก็คือว่าต้องตัว เนื้อสบู่ที่เราจะให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เอาไปใช้จริงๆเออไม่หลอกลวงเขาโอถ้าเขาไปใช้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยของมันจะขายในตัวมันเองใช่ไหมเมื่อมันได้คมันได้คุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เรามองอย่างนี้คือเราให้ให้อะไรเนี่ยเพื่อทำให้ผิวพรรณเขาดีให้เขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีให้เขาได้สภาพร่างกายที่อ่อนนุ่ม ป้องกันเชื้อโจจรคขจัดของเสียในร่างกายโอ้โหมันลายละเอียดมันเยอะหมดใช่ไหมล่ะเนี่ยของที่เราคิดมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เขาเมื่อเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วจิตใจเขาจะดีเขาจะได้มีกําลังใจเมื่อเขมีกําลังใจมีความเข้มแข็งแล้วต่อไปเขาได้ทํางานทานํทาการแล้วไปเลี้ยงดูปุถหลานญาติมิตรสามีภรรยาเขาเป็นต้นเหล่านี้มันก็กลายเป็นเกื้อหนุนไปเลยใช่ไหมเรื่องเงินผลตอบแทนยิ่งผลพลอยได้ ไม่ใช่จุดหมายโดยตรงไอ้จุดหมายโดยตรงก็คือนี่ไงเราได้ทำประโยชน์เยตอนี้อหายดแล้วเลยงไปก็ <c oughs> ดีใจนะเวลาลูกค้าตอบมา เ, เนี่ยแยกประเด็นออกมว่างานหรืออาชีพที่เราทำเนี่ยหนึ่งมันได้ฝึกสามด้านด้านที่หนึ่งคือพฤติกรรมด้านที่สองคือจิตใจด้านที่สามคือปัญญาห <c oughs> มอเหอยังแต่ถ้าหากว่ามัน ก็ทำงานอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมเราแย่ลงสองสภาพจิตใจสุดซมเสื่อมมีแต่เครียดมีแต่กุ้มปัญญาก็ไม่เกิดมีแต่ความหลงความโง่ยงเลยเนีเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเราต้องอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้ง8ชั่วโมงต่อวัน240ชั่วโมงต่อเดือนแต่เราได้ค่าตอบแทนมานิดเดี๋ยวก็สุดเนี่ยทั้งพฤติกรรมก็สุดสภาพจิตใจก็สุดปัญญาก็สุด งานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์โอ้โหแต่นี้เครียดก้มแต่เนขะ้าโรคก็เบียดเบียนไอ้ใหม่ๆก็คือยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อได้เงินนะ่เข้าแต่เขาก็ยอมเสียเงินต้องไปซื้อสุขภาพอีกเสียเสียไหมพูดย่ยงคิดออกไหมเนี่ยเอิเป็นอย่างนี้อามคิดออกไหมเอิเป็นอย่างนี้นิตเต เหมือนเหมือนการเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนบอกให้มันจบให้มันจบให้มันจบไม่เห็นมีอะไรเลยจบมาแล้วก็ใบ ป, ประกาศจริงไหมเนี่ยก็จบมาเยอะๆเนี่ยพระที่อยู่ที่นี่กันมีจบทั้งสูงกันนั้นเรียนกันมาจนกรอบกันมาทั้งทั้งังโลกทั้งธรรมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ก่อนก็ถูกสอนผิดๆมาอย่างนี้แหละตอนอยู่ทั้งโลกเขาไม่เคยบอกเรานะเขาไม่เคยแยกให้เรานะว่าอะไรคือ จุหมายอะไรคือผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมกวาดเนี่ยคือเหตุไอ้บ้านสะอาดเนี่ยคือผลอ่านหนังสือเนี่ยคือเหตุทักษะความรู้ความสามารถความฉลาดเนี่ยคือเป็นผลนี่เราไปเพี้ยนกันเนี่ยอ่านหนังสือนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยว <c oughs> นั่นก็นึกว่าอ่านหนังสือเป็นเหตุการไปเที่ยวคือเป็นผลใช่ไหมมันเข้าใจผิดไหมไอ้ น, นั่นผลผลยยได้นั่นก็แยกแย ก, แยกผิ ด, <c oughs> ดยยเ อ, อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปคนละเรื่องแล้ว ถ้จริงมันใช่ไหมมันเป็นกติกาเป็นกฎสมมุติเป็นข้อตกลงขยันเรียนหนังสือนะเออถ้าลูกสอบถ้าลูกสอบพ่อพ่อแม่ก็มึนด้วยมึนไปไมาลูกก็เสียคนบอกเออเนี่ยขยันเรียนนะเดี๋ยวถ้าลูกสอบได้นะแม่จะซื้อรถให้คันมันก็โอ้โหการสอบนี่เป็นเหตุการเรียนนี่เป็นเหตุลถนี่เป็นผล คนเรื่องกันเลยนียเนี่ยมันไปไปมาๆ ม, มันก็เป็นลอกเขาก็ได้ไปใช้เทคนิควิธีการอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เป็นคนฝ่ายรู้ใยเรียนใยศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายฝึกฝนใยพัฒนาที่ไหนไม่เป็นหรอกมนุษย์เหล่าเนี้ยมันก็มีถูกเพราะไอ้ตัณหาคือความอยากอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอยากจะได้สิ่งเสพมันก็ทํามัน ทำด้วยความจำใจในการที่จะทำมันไม่อยากทำหรอกแต่ไม่ทำมันไม่ได้มันก็ทำด้วยความเป็นทุกข์ทำด้วยความเครียดทำด้วยความกลุ่มไม่มีความสุขไหมความสุขก็ไม่เกิดแต่คนที่เขาทำด้วยฉันทาทำด้วยความรู้ทำด้วยความเข้าใจก็มีความสุขนะการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเลยแต่นี่เป็นอย่างนี้มองออกไหแล่ะเราจะกวาดบ้านเนอะกวาดด้วยความทุกข์ใจก็ได้กวาดเส้นเบื่อเนีเห็นไหมเนี่ย แต่เห็นไหมเพราะไม่ทําก็ไม่ได้มันเครียดไม่ทํามันก็โสโปรกไม่ทําก็โดนว่าโดนดา่าก็เลยต้องฝืนใจทําอย่างนี้ก็เรียกว่าแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตทีนี้เอาถ้าไม่แปลกแยกเขาคิดยังไงเขาบอกอ๋อการทําให้สะอาดมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ดีด้วยสภาพจิตใจของคนที่อยู่ดีด้วยของเราของคนที่อยู่ทั้งหลายดีด้วยทําให้ดูสะอาดเอี่ยมอ่องด้วย แล้วเป็นปัจจัยทําให้สติปัญญาเราเกิดได้ง่ายด้วยพอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตใจมันไม่เครียดมันไม่กลุ่มมันก็เป็นการฝึกในได้สติปัญญาโอมันได้ทั้งพฤติกรรมเราดีขึ้นได้จิตใจเราดีขึ้นได้ปัญญาทักษะความสามารถได้เกิดขึ้นเลยเนี่ยการกวาดเป็นเหตุความสะอาดเป็นผลอันนี้นภายนอกแต่ในขณะเดียวกันทางด้านพฤติกรรมของเราก็ได้ฝึกจิตใจของเราก็ได้ฝึกปัญญาของเราก็ได้ฝึก โอฝึกทั้งทั้งนอกข้างในเลยทีเนี้ยมันได้ทั้งข้างนอกได้ทั้งข้างในมันไม่แค่กวาดข้างนอกอย่างเดียวข้างในเราก็ถูกกวาดสิ่งไม่ดีออกใจากใจเราด้วยเอออย่างนี้ก็เลยกลับกลายเป็นได้ได้สิ่งที่ดีงามไปเลยทีเนี้ยนี่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องเลยเงี้ยนี่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเราทํางานแบบเซ็งเซ็งเบือบ่อเบก็เหมือนกรณีเวลาอยู่ด้วยกันให้สังเกตดูไหมว่ า, วาถ้าชีวิตเราไปติดแค่สิ่งเสพอย่างเดียว พอเราแก่ตัวไปผู้ชายมันเริ่มไม่มองใช่ไหมล่ะแกแล้วอะไรวะหน้าก็ไม่งามอะไรก็ไม่รู้ดูสภาพร่างกายก็สุดซมเครียดกุ้มอะไรต่างๆเพราะไอ้มันก็แก่แล้วก็แก่เนี่ยพออยู่ต่อไปแล้วมันจะมีความสุขจากสิ่งเสพได้ยังไงมันไม่ใช่แล้วแต่ที่จริงว่าถามว่าเราลองดูดิมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่ดิ เก็บความต้องการของตนเองไว้อีกฝ่ายหนึ่งก็เก็บความต้องการของตนเองก็คำนึงถึงความต้องการของคนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราอยู่ด้วยเนะี่ยก็ต้องการอะไรเขาชอบอะไรในสิ่งที่ดีงามเราจะทำอะไรให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดกันอย่างเงี้ยคิดว่าจะทำให้จะปฏิบัติต่อเขาให้ดีเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ไม่เอาความอยากความต้องการตวเองมาเป็นตัวตั้งแต่คำหนึงถึงความอยากความต้องการของ ของคนที่อยู่ด้วยทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติให้กันอย่างนี้มันจะเชื่อมประสานไหมมันก็เชื่อมประสานสิทุกวันนี้มันอยู่กันอย่างคอมพรไมาก็คืออยู่กันแบบแบบไหนแบบแค่ปนีปนอมกันเท่านั้นเองอยู่กันแบบซุกความขุนเคืองไว้ในใจแล้วก็เสแสร้งแก้งทเพอทากันแบบสังกะตยกันกันเววันๆเนี่ย แล้วทุกคนก็มีโลกส่วนตัวของตนเองใครอย่ามายุ่งเกี่ยวโลกส่วนตัวของฉันใครอย่ามาก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของฉันฉันมีสิทธิเสรีภาพในตัวของฉันห้องนอนของฉันเสื้อผ้าของฉันของใช้ของฉันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคอนโทรไมค์กันแบบนี้แบบประนอมปนีประนอมกันไปวันๆอย่างนี้แล้วก็ซุกปัญหาเต็มไปหมดลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่แก้ปัญหา แต่จะแก้ปัญหาจริงในหลักการในทางพุทธศาสตร์นะก็เรียกฮามานีก็คือการเชื่อมประสานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเหมือนรถเน่ยเขาจะมีตัว เ, เครื่องยนต์เนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็อยู่ในตําแหน่งของมันที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันมันทํางานเชื่อมประสานกันมันก็สามารถทําให้รถองค์คารยไของรถเนี่ยไปสู่จุดหมายไปทางได้เมื่อเราไปขับนี่เหมือนกันถ้าชีวิตครอบครัวก็ดีชีวิตของสภาพสังคมก็ดีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องเชื่อมประสานกันอะไรเป็นตัวเชื่อม มีความรักปรารถนาดีต่อกันเป็นตัวเชื่อมมีความกรุณาเกื้อกูลกันในขณะอีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาพอ ย, ยินดีต่อกันเมื่ออีกคนหนึ่งประสบความสําเร็จมันมีตัวเนี้ยตัวคุณธรรมภายในเป็นตัวยึดโยงให้กันเข้าใจไหมไอ้ตัวนี้กลากลายเป็นตัวเชื่อมประสานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เลยเป็นเหมือนน้ํากับน้นํานมมันเข้ากันได้เราเอาน้นํานมกับน้ําไปเทผสมกันดิมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ แต่ชีวิตของใครถ้าไปอยู่เหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันได้ไหมเราอยู่กับแฟนเหมือนน้ำกันะไรน้ำกับน้ำมันหรือน้ำกับน้ำนมฮะตอนนี้น้ำกับน้ำมันหรือน้ำกับน้ำนมถ้าน้ำกับน้ำมันมันก็ยังอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าอยู่มันลอยมันไม่เข้ากันแต่กันน้ากับน้านมเข้าไหมประสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหมเป็นลองไปเทดูดิ ก็ละเรื่องนี้เขาหมายความว่าว่ามันเข้ากันได้มันเข้ากันได้สภาพจิตใจที่มันยึดโยงกันได้มันเข้ากันได้ท่านเลยอุปมาเหมือนน้ากับน้ํานมมันเข้ากันได้คนบางคนถามว่าอยู่ด้วยกันทําไมขัดแย้งกันตลอดไม่พอใจกันตลอดขัดเคืองกันตลอดแปลว่าเหมือนน้ากับน้ํามันมันเข้ากันไม่ได้ทุกคนก็จะยืนอยู่ที่ทิฐิความเห็นของตนเองก็ไม่ยอมเชื่อมประสานไม่ยอมอ่อนโยนไม่ยอมละไอความเห็นผิดนั้น ก็จะยึดถือไอ้ความเห็นทัศนคติมุมมองเนี่ยละทีความเชื่อของตัวเองนี่แหละท่านนิยมอุดมคติของตัวเองอยู่อย่างนี้แหละมันก็เข้ากันไม่ได้ทุกคนก็ยืนอยู่ในธงของตัวเองทิฏฐิของตัวเองทิศดีของตัวเองหลักการของตัวเองความคิดเห็นของตัวเองเงี้ยมันยึดมันมันถือทิฐิอยู่เงี้ยนะถามว่ามนุษย์มันจะมันจะเชื่อมเข้ากันได้ไหมก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันแทบตาอยู่กันเป็นปีเป็นเดือน อยู่กันเป็นหลายปีก็แล้วแต่มันก็ยังถือมีแต่ทิฏฐิของตัวเองบางคนก็ทอนอยู่กันอย่างงั้นแหละฉันแก่จันใกล้จะตายกันแล้วก็คนละเรื่องกันนะครับแต่เข้ า, ขาสังเกตุกไหมพ่อแม่ปู่ตายยายายที่อยู่กันมาเขาก็ทนกันเงี้ยเข้ากันไม่ั้็ได้แต่ย้ยอมๆเขาจริงไม่จริงอย้อมเขาปะหลักการก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เชื่อมประสาน ไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมไม่มีหลักสังขาะหลักการส่งเคราะห์เป็นตัวเชื่อมไอ้หลักสังขาะนี่ก็เรียกว่าเป็นหลักการยึดโยงเป็นหลักการเชื่อมโยงพอมองอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่นนี้ถ้าต้องการให้มนุษย์เชื่อมโยงกันจริงๆมันต้องมารู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็มีจิตใจน้อมที่ต้องการอยากจะอยากจะพัฒนากันทั้งคู่ เพราะมันต้องมีจุดหมายเป็นตัวตั้งใช่ไหมเออชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้าคนอยากจะมีครอบครัวเนี่ยโอ้มันต้องต้องมันก็จะต้องมามานั่งปรึกษาแล้วก็ต้องเอาอะไรเอาหลักธรรมของพุทธเจ้าเป็นตัววัดถ้าไม่มีแกนกลางนะถ้าไม่มีข้อมูลกลางเป็นตัวตั้งนะมันเอาใจใจตัวเองนะมนุษย์เราเนี่ยแต่ถ้ามีข้อมูลแกนข้อมูลกลางนะข้อมูลของพุทธเจ้าเออเดี๋ยเป็นตัวตั้งปุ๊บทุกคนก็ทําตาม ธรรมะกดความจริงอันนั้นพอทุกคนทําตามตรงนั้นแล้วก็ไม่ทําตามใจตัวเองแล้วก็จะฝึกตัวเองฝึกทั้งพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้ดีขึ้นทั้งด้านจิตใจให้อ่อนโยนมากขึ้นและสภาพปัญญาให้รู้ให้เข้าใจเหตุและผลมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างฝึกอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันนะใช่มมันก็ไม่ไม่ขัดขวางกันพอมองยางเออเนี่ยหลักการทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องการท่านพูดถึงเรื่อ ง, ร อ, งรรรองเรื่องทรัพย์การมัพโพคีสิบนผู้บริโภคการผู้ครองเรือนหรือคาวาตัตกลุ่มที่หนึ่งสแสวงหาโพกทรัพย์โดยไม่ชอบทำนะโดยการทารดนข่มขีก็คือได้ทรัพย์มาโดยผิดอาจจะไปฆ่าได้ทรัพย์มาไปรักได้ทรัพย์มา ไ ป, ประพฤติผิดในกามได้ทรัพมาไปโกหกได้ทัพมาไปพูดเทศส่อเสียดคําหยาบเพื่อเจอไปทําอาชีพที่ผิดผิดทั้งหลายได้ทรัพมาอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สแสวงหาทรัพโดยไม่ชอบทำได้มาแล้วได้ทรัพมาแล้วนีสมมติได้ทัพมาแล้วเนี่ ย, มม ไ, มยไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนาให้เป็นสุขแล้วก็ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทํากรรมดีเสียกี่ทางเนี่ยเสียหายกี่ทางเนี่ยหนึ่งสแสวงหาโดยไม่ชอบทำ สได้ทรัพย์มาแล้วไม่เอาดูแลตัวเองให้เป็นสุกนะไม่ดูแลตัวเองให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายทรัพย์ไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียกี่ทางเสียหายกี่อย่าง 1. แสวงหาผิดด้วย2ได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่เอามาดูแลตัวเองด้วยประการที่3ก็ไม่เอาทรัพย์นั้นไปทําประโยชน์ทําคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเสียหาย3อย่างไว้เนี่ยสรุปแล้วการ การได้ทราบมามาทิ้งไว้เฉยๆเป็นความเสียไห ม, มเป็นความเสียหายอีกสแสวงหาทรย์ผิดก็เป็นความเสียหายและไม่ยอมเอาทรพย์ไปทําสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลนีกก็เสียหายอีกเนี่ยนะนี่เสียสาอย่างเลยนะอภุนี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งพวกที่1น่ ง, พ ว, นงพวกที่สองสแสวงหาพวกทรัพย์โดยไม่ชอบทำอย่างที่บอกไงค่าบางังลากบางทั้งหลายได้มาโดยไม่ชอบทำเนะีได้มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําสิ่งที่ดีงามเสียกี่ส่วนดีกี่ส่วนเสียกี่ส่วนวฮะแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทาได้มาโดยโดยทารุณข่มขี่เป็นต้นได้มาแล้วเลี้ยงตนนี้อิ่มหนำสำรานเป็นสุข แต่ไม่ประการต่างไม่ใช้ทรัพย์นั้นไม่แจกจ่ายไม่ใช้ทรัพย์นั้นทํากรรมที่ดีเอเอเนี่ยก็คือเสียสองดีหนึ่งดีตรงไห น, เ, นเออเลยเอ <c oughs> เอนั่นแหละไปดีตรงนั้นแหละนี่ทพวกที่สองใครดูนะว่าเราเยียวยกลุ่มไหนอกลุ่มที่สามเนี่ยทำทางง่วงเลย <c oughs> พวกที่สามก็คือแสวงหาพวกกระทัพย์โดยไม่ชอบทำ โดยทารุณ ข, ข่มขีนี่นะได้มาแล้วเลี้ยงตัวเองให้อิ่มน้ําเป็นสุขแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทรัพย์ทำกบดีดีกี่ส่วนดีสคือ เ, เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุกแล้วก็ใช้ทรัพย์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําสิ่งที่ดีงามใช่ไหมแต่ได้มาโดยไม่ชอบทําอันนี้เสีย1นึดีสองเพวกที่นี่ น, น, นีกลุ่มกลุ่มที่1 ห, หมดไปแล้วนะเอากลุ่มที่2ตัวเนี้ย สแสวงหาทรา์โดยชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างมีเยอะในเดี๋ยวนี้ยมันสลับมั่วๆกันเนี่ยคือปนกันเลยอ่ะบางอย่างก็ได้มาโดยชอบทําบางอย่างก็ได้มาไม่เยอะบางอย่างก็ได้มาด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตวจีสุจริตบางอย่างก็ได้มาโกหกได้มาบ้างก็มีไยเบียดเบียนก็ได้มาก็ดีมีนะเนี่ยทรา์อย่างเงี้ยได้มาโดยชอบทําบ้างไม่ได้ชอบทําบ้างแสวงหาพ่อกระซับโดยชอบทําบ้างแล้วก็ทารุนข่มขีบ้างไม่ทารุนข่มขีบบ้าง ได้มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช่ทรัพย์ทํำคำกรรมดีกลุ่มนี้เสียกี่ส่วนเนี่ยแยกได้ไหมวิ่แยกไม่ออกกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่สแสวงหาทรัพย์เนี่ยโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างใช่ไหมทีนี้เขาสแสวงหาบางอย่างก็ชอบทำบางอย่างก็ไม่ชอบได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข แล้วก็ไม่เอาแจกจ่ายไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําสิ่งที่ดีงามหรือทําความดีทํากี่ส่วนเสียสามนะยังสามอยู่เลยแต่ว่ามันแยกข้อแรกเป็นทั้งชอบทําและไม่ชอบทํำนะอภิบารต่อมาสแสวงหาพวกทรัพย์โดยชอบทําและไม่ชอบทํานี่แหละตังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ทรัพย์มาแล้วดูแลตนเองให้อิ่มหนาเป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้รทำำรัพย์ทํากรรมดีเสียกี่ส่วน ดีส่วนไหนดูแลตัวเองนะยังดีเอาไปกลุ่มที่หแสวงหาพว ก, กทรัพย์โดยชอบทำและไม่ชอบทำเนะถ้ารุนข่มขี่บ้างไม่ทารุนข่มขี่บ้างได้รับมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขอิ่มหนำเป็นสุขแล้วก็แจกจ่ายใช้ซับทำสิ่งที่ดีงามกี่ส่วนนี่นี่ก็กลุ่มที่สองเอต่อไปกลุ่มที่สาม กลุ่มที่สมแสวงหาโดยชอบทำโดยส่วนเดียวเลยนะกลุ่มนี้นะแสวงหาพวกทรัพย์โดยชอบทำไม่ทารุนคมขี่ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทํากรรมดีเสียกี่ส่ว น, ส, ส, วนส่วนไห น, ไนเออไม่แบ่งปันแสวงหาโดยชอบทำดีไหมเลี้ยงตนเองให้อิ่มน้ำสําหรับเ ป, ป็นสุกดีไหมเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แยกออกเลยนะว่า เสียส่วนที่3ามอภารยาที่8สแสวงหาทรัพย์โดยชอบทมไม่ทารุณไม่ขมเหงนี่แหละได้มาแล้วเลี้ยงตอนนี้เป็นสุขนะแต่ไม่แจกจ่ายไม่แบ่งปันเสียกี่ส่วนไม่แบ่งปันอันนี้เสียสองนะออได้สองเสียหนึ่ง ไ, ไอ้กลุมหนึ่ง สแสวงหาโพกทรัพย์โดยชอบทำเป็นต้นได้มาแล้วก็เลี้ยงตนนี้เป็นสุขทั้งแจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทรัพย์ทำความดีแต่นี่เสียสามนะออได้สาม ด, ดีทั้งสามส่วนทั้งสแสวงหาก็ถูกต้องด้วยแล้วก็ใช้ทรัพย์ดูแลตนเองให้อิ่มหนำสาราญเป็นสุขด้วยและก็แบ่งปันด้วยแต่มีส่วนเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขายังยึดติดยอมสยบหมกมุ่นมัวเมา บริโภคด้วยไม่รู้เท่าทันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาในการที่จะทำให้ตนเองเนี่ยหลุดพ้นเป็นนายเหนือพวกกระซับเป็นคนยังหวงทรัพยังยังทุกกระซับยังเป็นเดือดเป็นร้อนกับมันมีไหมคนประเภทนี้เนี่ยคนประเภทที่9นี่นะคือแสวงหาทรั์โดยชอบทำถูกต้องได้รัพ์มาแล้วดูแลตนเองอิ่นน้ำสำราญเป็นสุขถูกต้อง และได้ทรัพย์แล้วแบ่งปันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีงามก็ถูกต้องแต่เป็นคนมีจุดบอดก็คือว่าเป็นคนยังยึดติดยังยึดติดยังเป็นทุกข์เป็นร้อนกับการมีทรัพย์แล้วเดือดร้อนมากถ้าทรัพย์ช่วงไหนมันบกพร่องไปเนี่ยมันหาได้ไม่เท่ากําหนดเนี่ยทุกข์เครียดกุ้มมันยังกุ้มกับมันมันยังไม่ไม่เป็นอิสระกับมันว่างั้นเถอะ มันรู้ไม่เท่าทันไม่เห็นโทษมันไม่มีปัญญาทําตนให้เป็นอิสระหลุดพ้นเป็นนายเหนือพวกทระซับไม่สามารถจะอยู่เป็นนายมันได้อยู่เพียงเป็นใต้เพราะเป็นทาตของทรัพย์เป็นทาต ข, ของเงินเป็นทาตของเกียรติยศชื่อเสียงว่าองั้นเถอะฉันก็ทําดีแทบตายทําไมมันไม่ได้ดีฉันก็แจกจ่ายแบ่งปันทําไมคนไม่เห็นค่าฉันมคนประเภทนี้มีเยอะไหมเนี่ยเออนั่นแหละ ฉันดูแลมาหมดเลยฉันต้องให้เขาต้องแจกจ่ายต้องดูแลพี่น้องดูแลทั้งหลายทุกคนไม่เคยเห็นฉันมันทําดีไม่ขึ้นทําดีมันไม่ได้ดีอา้าวแต่เนี้ยสิ่งที่ควรจะเป็นคื อ, อยังไงเอาพวกพิเศษเราอยากเราอยาจะเป็นพวกธรรมดาก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งสิบพวกที่เก่าเออที่เก้าพวกมาเนี้ยนี่เขาเรียกพวกธรรมดาแต่อาจจะธรรมดาดีบ้างไม่ดีบ้างสลับคข้าวไปทั้งที่กล่าวอยากจะเป็นคนพิเศษไหม ถ้าอยากจะเป็นคนวิเศษต้องฝึกพุทธิย่าบอกพวกหนึ่งเนี่ยนี่นะใช้อย่างรู้เท่าทานันบินอิสระยังไงสแสวงหาพวกทระซับโดยชอบธรรมไม่ทารุณไม่ข่มขีไม่มไมสแสวงหาทรัพย์โดยกายก็สุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ได้ซัพย์มาไม่ลักทรัพย์ได้ทรัพย์มาไม่ประพฤติผิดในการมก็ได้ทรัพย์มา ไม่พูดเท็จน่ยพูดคําจริงได้ทรัพย์มาพูดคําสมัครสมานสามัคคีได้ทรัพย์มาพูดคําอ่อนหวานได้ทรัพมาพูดจาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้ทรัพย์มาประกอบอาชีพที่ดีงามสุจริตนอกจากจะถูกกฎหมายไมพอถูกต้องตามธรรมะถูกต้องตามหลักการที่ถูกต้องด้วยตนเองก็มีความสุขจากการได้ทํางานได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นด้วยแล้วก็ได้ทรัพย์มาพอได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อิ่มนหนาไม่สําราญในมีสุข โอ้โห oh, หาก็ได้เลยนะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นสุขด้วยแล้วก็แจกจ่ายแบง่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทําสิ่งที่ดีงามทํากรรมดีดูแลพ่อแม่ปู่ตายาย า, ยายายบุตรหลานญาติมิตรใช้ทรพัพย์ทํากรรมดีเจริญกุศลอุ้ยทําดีหมดเลยแต่เนี้ยนะอีกทั้งไม่สยบมัวเมาไม่หมกมุ่นไม่บริโภคโคค้าเหล่านั้นคือบริโภคโคคะเหล่านั้นทรัพย์เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันและเห็นโทษมียามีปัญญา ทำตนเองให้เป็นอิสระหลุดพ้นเป็นนายอะไรเป็นนายเหนือพภกรับเป็นนายเหนือพ่กกรับเลยเราเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกกลุ่มคนพัฒนาพัฒนาแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไมรู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็มองว่าเออรับเนี่ยเหมือนพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกมหาราชที่แรกก็เป็นเป็นาตเป็นทาตของพภกรับ โอ้โหฆ่าพ่อเองกับเขาฆ่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกันห้าเก้าสิบคนแล้วก็ยึดอำนาจยึดอำนาจเลยพอได้พอยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ตนเองก็ขึ้นไป็มื่ยวัดินโอ้โหแต่นี่นั่งกุ้มอยู่นั่นแหละใช่ไหมรัพย์ได้มาชอบทำไหมไม่ชอบพอไปแย่งขเอของเ้ามาไปฆ่าเข้ามา น่นะรัชบาลังเนี่ยที่ไปได้มาได้มาโดยไม่ชอบทำไปกดขี่ข่มเหงเข้ามาไปไปยึดอำนาจไปทําการปฏิวัติแล้วได้ได้อำนาจนั้นมาเนี่ยือกลุ่มปฏิวัติแล้วได้อำนาจได้มาโดยไม่ชอบทำพอได้มาโดยไม่ชอบทำแล้วเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็กลุ้มทุกข์เลยใช่ไหมไม่รู้นี่พอไม่รู้หลักการตรงนี้เบีเสร็จแล้วอยู่ต่อมาพอมาศึกษาพอรู้คําสอนพระเจ้าปุ๊บเอาละไอ้ที่ได้มา มันได้มาแล้วทําไงเลยตามเลยมันแก้ไขไม่ได้แล้วเอาแล้เราจะเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขให้อิ่มนําให้สหําราญนี่เป็นสุขแล้วจะแจกจ่ายทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําสิ่งที่ดีงามนไให้บุคคลอื่นทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการมีทรัพย์มียศมีอํานาจเอาเลยสิทีนี้แล้วจะใช้ทรัพย์ทําสิ่งที่ดีงามทํากรรมที่ดีงามพัฒนาทุกระบบในประเทศนี้ ทั้งระบบกะเกษตรกรรมทั้งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทั้งระบบในการค้าการขายทั้งหลายเหล่านี้แล้วอีกอย่างนึงก็ใช้ทรัพย์ทําสิ่งที่ดีงามก็คือสร้างสิ่งที่ดีงามก็คือสร้างวัด 84%,000 วัดเจดี 8, 000, ย์แป0 0มเจดีย์บํารุงสมณะชีพรมเป็นจํานวนหเป็น6ล้าน7ล้านในยุคนั้นดูแลประคบงบงมแล้วก็จัดให้มีการ จากการที่สมัยก่อนเขาฆ่าสัตว์กันเนี่ยก็ให้ลดลดลดนะเข้านะเข้าทั้งประเทศไม่มีการฆ่าเลยเโโอยิทิเดีย เ, ป ร, เ ป, ประวัติาศาสตร์เป็นเรื่องจริงทีหมันพระเจ้าด่าเองของเราเออนั่นแหลนะเนี่ยพ อ, อพออย่างนี้ปุ๊บเอาละสิแต่เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเอาและเราจะไม่เป็นทาดเราจะไม่สยบหมกมุ่นมัวเมากับการมีทรัพย์มีอำนาจมียศ แต่เราจะใช้ทรัพย์ใช้ยศ <labeled> ใช้อํานาจเนี่ยเออเราจะอยู่เหนือมันมีนิสฐานะปัญญาอยู่เหนือเป็นอิสระจากทรัพย์เป็นอิสระจากอํานาจเป็นอิสระจากยศเกียรติยศชื่อเสียงใช้ทรัพย์ใช้ยศใช้อํานาจในการเผยแผ่ธรรมะทำสิ่งที่ดีงามเลยเอาละสิอะเนี่ยนี่เขาเรียกบุคคลพิเศษเราต้องฝ <inizi> ึกจากบุคคลธรรมดาเข้า <minute> ถึงเป็นบ <f ix minorities> <sy> ุคคลพิเศษให้ได้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเราทําสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ทําแล้วเพื่อให้คนเขายกย่องแต่ทําเนี่ย สิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรหนึ่งต้องการฝึกให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะประการต่อมาคือด้านจิตใจนะสภาพจิตใจของเราจะได้เข้มแข็งมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ต่อมาคือว่าด้านปัญญาด้านปัญญาก็คือเราจะได้มีความรอบรู้มีความชาญฉลาดในการที่แยกแยะเหตุแยกแยะผลได้มากขึ้นพออย่างเออเนี่ย จากการได้ทรัพย์มาเราไม่เป็นท่าตึงทรัพย์อยู่เหนือทรัพย์ไม่ใช่ไปอยู่ใต้ทรัพย์ถ้าอยู่ใต้ทรัพย์เราทุกไหมทุกเครียดกลุ้มอยู่ใต้เสียงสรรเสริญเยินยอเหมือนกันเช่นเราไปช่วยเขาแล้วเขาไม่ยกย่องเราทุกไหมเพราะเราต้องการอะไรให้เขายกย่องเราไปช่วยเหลือคนอื่นทําไมคนอื่นเขาไม่ดูไม่เห็นเราเป็นคนดีทําไมเขาไม่นับถือเราอีออกเขาเรียกว่าคิดผิด เราทําสิ่งที่ดีแต่เราจะไม่ติดมันเราทําสิ่งที่ดีเพื่อฝึกพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นได้คุณภาพจิตที่ดีขึ้นใช่หม <laughs> หนึ่งจิตของเราจะได้สะอาดเี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตของเราจะได้ไม่อ่อนแอจิตของเราจะได้เข้มแข็งจิตของเราจะได้มีความตั้งมั่นจิตจะได้เกิดข้าวถึงความสงบเข้าถึงความอดทนแก้วกล้าอาถานก้าวไปใจสู้ จิตของเราจะเป็นไปกับสติจิตของเราจะได้ไม่ฟุง้งซ่านและจิตเราจะได้มีความสุขจิตของเราจะเป็นไปกับความชานฉลาดนะครับยังพัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาเอออย่างนี้กลับกลายเป็นประโยชน์ไหมเนี่ยนี่แหละเอาทรัพย์นี่แหล ะ, เอ า, าหละเอาความรู้ความสามารถของเราเอางานนี่แหละที่จะทำเราเป็นตัวฝึกซะเลยนี่เข้าใจในหลักการในทางพุทธศาสนาไหนยังสุดยอดไหมถ้าทาได้อย่างนี้เออนั้นก็ต้องทําให้ได้ เห็นไหมมาบวชนี้ได้ประโยชน์ไหมเห็นไหมแต่ก่อนคิดเป็นไหมแบบเนี้ยนะโอเคั้งั้นแค่นี้ก่อนเนาะอ้าว